จเจริญพรท่านสาธารณผู้ทบบริสุทธ์ทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานสีนภาวนาหรือสีสมาธิปัญญาใครมีคำถามอะไรว่าเชิญก็มาถามได้หรือถ้าไม่ถามจะดู ในหน้าเ c e บุ๊กก็ได้หรือ YouTube ก็ได้เดีย๋ยวเราจะว่าไปตามหลำหับของคนที่เข้ามาก่อนนะถ้านแรกวันนี้ก็คือคุณเกตจอคุณเกตจักค์แข่งเขาทรมวันนี้มีสวามับครับแต่ก็ผลจากการฝุดก็ช่วยให้ใจไม่กระเพื่อมพอดีคุณแร่ กับเพื่อนใกล้ตัวครับปีโควิดครับรู้สึกว่านี้ติดกันแท้ทุกคนนะใช่ครับแต่ส่วนตัวก็ซึ่งพาแม่ไปท ำ, ทำบุญงานบ้านําบุญร้านของน้องตากแต่ก็ไม่ประมาทก็ไปไม่ประมาทมีมีโอกาสทาบุญได้ทําไปมีโอกาสภาวนาได้ภาวนาไปก็ ร, รู้สึว่าเพราะพอาะปฏิบัตินะครับ ก็เลยถือว่าไม่ได้สึกคูกรัพือเงินมันก็มันก็ติดเดี๋ยวแล้ก็แก้ไขไปกันไปครับอาจารย์ดีทําไปก็แล้วกันไม่ไม่มีคำถามเลยใช่ไหมวันนี้าม่งั้นไปที่คุณสารกาสารกาวันนี้อยู่ในที่มืดเลอวันวันนี้มาโฟล์อัพไอ้ไทยรอยค่ะบอาจารย์ไทลอยค่ะที่ว่าบิก้อน ที่ว่ามีก้อนที่คอค่ะอาจารย์ที่สิละ่ะอันนี้อยู่ที่โรงพ ย, ยบาบาลเลยอ่าตอนนี้กลับนะคะแต่มาฟังธรรมค่ะมาะฟังธรรมนะอาจารย์ค่ะไม่มีคาถามค่ะโอเค<า>ค่ะค่ะคุณดน ด, นดพภัสอยาอุบลราชธานีนามัสการเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะลูกไม่มีคาถามเจ้าค่ะอาจารย์ค่ะ อาจารย์ภู ม, มิใจจากคอธรรมน์กลับน้อส ก, การ์พระอาจารย์ค่ะอืมสบายดีนะสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอาจารย์กลับมาสักการพระอาจารย์ ค, ครั บ, บดีค่ะวันนี้ไม่ไม่ได้มีคําถามค่ะมามารับฟังเหมือนเช่นเคยค่ะโอเคเรนก็ไปที่ท่านต่อไปเลยนะชาวแมสคาจที่ นักศิลปชากล่ยพะาจครับวันนี้ไม่มีคําถามครับแค่เข้ามาฟังธรรมขอพอาจารย์ครับมีการบ้านไหมทําการบ้านไม่ส่งการบ้านอะไรทค่ะทําการบ้านอยู่ค่ะเพราะว่าฟังวิสัชนาธรรมของดร์วีค่ะเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าถ้าเป็นปีสุดท้ายเนี่ยควรทำอย่างไงตกใจกันแม่ลูกตายแล้วถ้าเกิดเป็นปีสุดท้ายของพวกเราเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องรีบปฏิบัติแล้วค่ะเขาก็ นั่งสมาธิสดมลมากขึ้นนะคะพ่าเราไม่รู้ว่าปีสุดท้ายของเราเจะถึงเมื่อไหร่นะ๋ต่ไม่บอกเดือนสุดท้ายหรือเปล่าแม่อือ ต, ตอนนี้นี่ทาให้ลูกว่าเดี๋ยเดี๋ยวน้องชูชีว่เดี๋ยวกึ่งมินจะตกนะเรามีโรงชูชีพ์จะได้ปลอดภัยดังนั้นจะได้ไม่ต้องตกกับไปกับเครื่องกระโดดออกได้นะ ใจนี้ออกจากร่างกายไนดะ้ไม่ต้องไปตกไปกับร่างกายไม่ต้องไปตายกับร่างกายไม่ต้องไปเจ็บกับร่างกายถ้าใจมีสมาธิก็มันมีลมชุชีพยนะแยกออกจากร่างกา ย, นะยาได้งาพยายามฝึกสมาธิฝึกสติดังมากมากนะโอเคในที่ <c oughs> คุณหมอนณทิดานะหมอขอบคุณ <c oughs> อยู่กทมใช่ไหไม่อยู่ที่ไหนนักการค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะค่ะก็แล้วก็ขอสวัสดีกับยาเรามีทุกท่านด้วยค่ะก็ช่วงนี้ก็คือโยมนั่งเราก็รู้สึกว่าเวทนาทางกายเนี่ยมันไม่ค่อยปรากฏชัดเจ้าค่ะเหมือนพอเริ่มรู้จุดที่มันเริ่มปวดก็แค่แวบหนึ่งแล้วก็กลับมาอยู่กับพุทโธหรือว่าความว่างก็รู้สึกทําให้นั่งได้นานขึ้นก็ค่ะก็ดีเกิดไปยาหนี้เวทนา หากฝึกให้รับมันมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมันจะไม่มาก็ไม่เป็นไรอขอให้เราพอที่จะรับกับเขาได้เวลาที่เขามาเยี่ยมเรามาเยี่ยมเราซึ่มันจะเป็นในช่วงไม่ได้เวลานั่งสมาธิก็ได้อาจจะปวดท้องขึ้นมาอย่างรุนแลงปวดศีรษะขึ้นมาอย่างรุนแลอันนี้ก็ทุกขเวทนาเหมือนกันถ้าใจเราเคยฝึกเคยเจอเราก็จะไม่เดือดร้อน ก็จะเฉยๆไปกินยาก็ได้ไปกินก็ได้แต่ก่อนโยมก็คือสู้แบบวรนาในในสมาธิเจ้าค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าแบบที่พระอาจารย์แนะนําว่าให้มาอยู่กับพุโทโธอะไรแบบเ น, นี้ค่ะอะอะชีวิตจริงมันไม่ได้อยู่ในสมาธิตลอดเวลาเจ้าค่ะเวลาร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอะไรมันไม่ได้อยู่ในขณะที่อยู่ในสมาธิ เราก็ต้องรู้จักกดจิตให้รับกับมันไม่นกับเรอยู่ในสมาธิเ จ, จ้าขาพราจารย์คือวางเฉยให้มีอุเบกขาควบคุมบังครับเขาไม่ได้กลัว<อ>ต้องบอกว่าช่วงนี้แบบมีความเพียรมากขึ้นหลังจากที่เหมือนกลับมาฟังพระอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเจค่ะก็แบบไปย้อนฟังที่พระอาจารย์ตอบ สาธุชนในเรื่องของการปฏิบัติต่างๆเจ้าค่ะคือเดิมทีโยมก็เหมือนปฏิบัติมาหลากหลายรูปแบบเจ้าค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้ก็เลยมาอยู่กับพุโทโธนะเจ้าค่ะก็รู้สึกความเพียรมากขึ้นแล้วก็มีเอ่อร่างกายมันก็ตื่นเองช่วงตีสี่ตีห้าก็มานั่งแล้วก็มีในระหว่างวันเจ้าค่ะอ่าดีใหม่ๆมันก็ต้องลองลองของไปลองผิดลองถูกลองหลายรูปแบบไปก่อนเดี๋ยวนี้สุดันก็จะประเด็นได้ เ mm hmm. จ้าค่ะอาจารย์ก็มีคําถามอีกบางอันเจ้าค่ะก็คืออยากทราบว่าเมื่อเมื่อปฏิบัติจนเข้าสู่ความสงบนะเจ้าค่ะคือเอ่อมันจะมีความสงบเป็นขั้นขั้นไปใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วเอ่อเมื่อไหร่ที่เราจะทราบว่ามันมันอันนี้คือขั้นต้นขั้นลึกหรือว่าเราอุเบกขาแล้วอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคืขั้นสมาธิมันก็มีเป็นขั้นขั้นไปเวลานั่งสมาธิใช่ไหมครับ สงบที่เราได้เคลียน้อยเพิ่มขึ้นไปบบก็จะสงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่จิตก็นิ่งไม่คิดปรุงแต่แล้วก็อยู่ในอุบเบกขาน่าการทีก็กหายไปถ้าไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาใจก็ไม่ไปนสนใจเอาเลยใ น, ใ, นในสมาธิมันจะเป็นแบบนี้ เริ่มต้นเวลาจะเข้าไปมันก็ค่อยๆสงบค่อย ๆ, ๆสงบบางครั้งมันก็สงบแบบพวดพลาดกันมีตกลุมตกบอ่อก็มีขึ้นอยู่ก็ร่ังสตินะครับที่ไม่ได้นอ้ออย่างท่าครัวโครงโครงเล็กๆอะไรแบบนี้นี่ก็คือมันเป็นพวกกิติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจ๊ะคะก็ไม่ไม่ทราบเหมกันว่ า, าโครงหมายความว่าร่างกายโครงเรื่ออะไรโครง ใช่จ้ะค่ะมันเหมือนรู้สึกเหมือนร่างกายมันคงครงนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <inappropriate> จ้ะค่ะก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วกันให้เกาะติดอยู่กับองค์ภาวนาไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกนั่นเป็นพุโทโธระตามไม่ว่า <inappropriate> ให้อยู่กับอันนี้ไปจปก่ามัานจะนิ่งสงบแล้วมันจะหยุดหยุดไป แต่ถ้ายังยังมีอะไรปรากฏให้รับรู้เหยื่อก็ไปไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณมันเป็นนั่นเป็นนี้่ให้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเนี่ยว่าถ้าเราไปยุ่งกัเาเราก็จะติดลมมันมันจะไม่เข้าไปเรื่อยเรื่อยแล้วพุทโธต่อไปเรื่อยๆเรื่อยเจค่ะแต่เอออย่างเรื่องของอาการจิตรวมนี่อาจไม่เหมือนกันถูกไหมเจ้ค่ะ เรากลัวในแต่ละคนในแต่ละครั้งที่นั่งก็อาจจะไม่เหมือนกันอกนคนเดียวก็บางทีก็ไม่เหมือนกันมันอยู่ที่กําลังของสติของเราถ้ามันมีสติตอนแรกดีๆมันอาจจะลงแบบทวดพลาตกลุมตกบ่อถสติมันแบบยังหายไปมามากกลับมากมากมันไดจะค่อยๆลงเป็นขั้นบันไดขึ้นสำรวบลงไปขึ้นเนี่ยว่าดูเห็นว่าลงไปขึ้นก็้มี มั้นมันเราไปกําหนดไม่ได้มันอยู่ที่สติของเราต้องค่ะพยายามมัถูกสติเวลาที่เรายัางไม่ได้นั่งมันพยายามสุดให้มากที่สุนเท่าที่จะทำได้เราตนนั้งแต่ดินตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติก่อนนลค่ะก็พยายามอยู่แล้วค่ะถึง <c oughs> ตรง น, นั้นเพรว่าความคิดยังยังมีเยอะอยู่ต่งเรานอยาก <ๆ S 2> <ๆ>ให้มันคิดให้มันรู้เฉย เจ้าสาพระอาจารย์แล้วก็คือพอดีในช่วงช่วงปีที่ผ่านมาโยมก็มีฟังพระอาจารย์ที่ท่านสอนด้านปริยัติมากขึ้นนิดนึงจ้ค่ะก็คือโยมก็รู้สึกว่าเหมือนเสริมทางปัญญาได้ได้ดีเลยค่ะเหมือนกับก็เห็นความเชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นอะไรแบบนี้เจ้าค่ะก็ก็ฟังไปเรื่อยๆก็ซึมซับแล้วก็ควบคู่กับฟังหลักปฏิบัติจ้ค่ะก็ถ้าปริญัตที่เกี่ยวกับปฏิบัติก็จะใช้ได้ แต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมันก็จะเสียเวลาไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนถ้าปริยัติเกี่ยวกับสติสมาธิปัญญาอริยสัจสี่ใจแรกเนี่ยก็เป็นปัญญาที่เรานำมาใช้ในการทำบาปแต่ถ้าไปเกี่ยวกับเรื่องอนเรื่องพบภูมิเรื่องเวีนวาเรื่องไปเกิดทุกข์นั้นจํานั้นกํามนี้อะไรมันมันหา่างไกลกันมันไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ขอบคุณเจสค่ะก็จะเป็นแบบแรกมากกว่าเจาาา้าค่ะพระอาจารย์มนอยู่ในวงของของศีลสมาธิปัญญาสค่ะาพระอาจารย์ก็วันนี้มีเท่านี้เจ้าค่ะกับขอบคุณค่ะโอเครับท่าคุณนั่งเดียแม่ชีมีอะไรไหมงานมาส ก, การครับยาวที่บ้านไม่ก เ, เรียกว่าอะไรนะจากนั้น ที่บ้านนะไม่อะไรหนองโค้งนะนี่ว่ามากดอันนี้วิธีมากดอันนี้วิธีค่ะถ้าถ้าถวบ้านก็ถ้าเกิดเป็นแนชีด้วยกันท่านก็เรียกชื่อค่ะไม่แมถึงที่ที่อยู่แถวไม่เขาเรียกว่าอะไรอ๋อหมู่บ้านเมือง น, น้ําใช่ไหมคะ่ะอ่านั่นแ่ะแต่มันอยู่ในอําเภอตําบลอะไรเขาเรียกอะไรนะตำบลตะเคียนเตี้ยแล้วก็อําเภอบางละมุงค่ะเขาเรียกตะเคียนเตี้ยเหรใช่ไหม ใช่ค่ะจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหนค่ะพระจันทร์มีอะไรไหมไม่มีค่ะคระจันทร์นี่ก็หมอเนะยเดินหมอเหมือนกันหมอมาเ ห, น, เหนียวทางกายภาพเลยใช่ไหมพื้นฟูเวชศาสตร์พื้นฟูค่ะเวชศาสตร์พื้นฟูหมอมาบวชเนยอะนะหมอมปฏิบัติสนใจเยอะโเคอยงนี้ไปที่ท่านต่อไป คนออมค่ะบอวินอันนี้นักวิทยาศาสตร์ทางานจักการค่ะอาจารยจอมวิทย์จุลชีวะค่ะทุชีวะค่ะยังทำงานอยู่ค่ะทำงานอยู่โรงงานผลิตยาค่ะอนาคตกระผมยาผมท่านลงท่านลงไปเรื่อยๆนะน่าจะใช่คค่ะค่ะ เออวันจันนะคะพ่อาจาย์ที่พาอาจาย์พูดพอดีออออหนูกับแฟนได้ยินไม่เหมือนกันที่พ่อาจาย์บอกว่าไปไกลแล้วคือแฟนนาได้ยินว่าเดี๋ยวอ้อมปฏิบัติแล้วเดี๋ยวแฟนตามไม่ทันแต่อ้อมอ่ะได้ยินว่าคนอื่นเขาไปไกลแล้วคือมันเข้าใจไม่ตรงกันนะคะเคขาแฟนเขาเข้าใจถึงแล้วว่าแฟนาให้รีบปฏิบัติเดี๋ยวจะตามาไม่ทัน อ๋อค่ะพอดีเข้าใจไม่เหมือนกันเลยมาถามพระ้าจารย์ใหม่ค่ะอ้ะอมไปไกลแล้วแฟนยังไม่เริ่มเลยค่ะ<า>เมื่อไหร่จะปฏิบัติทันทีเขายังไม่เลิมเลยค่ะสมาธิสิบนาทีก็ยังไม่นั่งเลยค่ะค่ะ<อ>แต่เขาก็ฟังทำผ้าจารย์กับอ้อมทุกวันอยู่ค่ะก็เป็นเวลาคอยดึงเข้ามาเดี๋ยวทั้วันนองเขาก็าจะเห็นคุณประโยชน์เขาก็อยากจะทําเองค่ะตอนนี้บังคับกันไม่ได้ ค่ะเคนะมีอะไรไหมไม่มีค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอต่อไปอคุณหมอดาวจากบุบมลหมอมาเนี่นเอาใครมาฟังด้วยคุณแม่เลยสวัสดีค่ะกลับนวัิีการพะอาจารย์ค่ะได้ยินเสียงไหมคะได้ยินชัดเจนจ้าอันนี้คุณพ่อคะอ่ะคุณพ่อผู้ท่านก็ปฏิบัติามาหลายสิบปีเหมือนกันค่ะ คือตอนนี้บ้างๆาะปฏิบัติทําหมดแล้วค่ะจากเดิมไม่มีใครปฏิบัตินีพ่อปฏิบัติคนเดียวแต่ตอ น, นลูกสาวปฏิบัติไปลิฟแล้วไม่ไม่ไม่ลิฟแต่ว่าจะไปกราบอพระอาจารย์ไปตักบาตรขรรคการอีกรอบนึงประมาณวันที่สิบเก้าสิงหาค่ะแล้วก็จะไปตรวจลงปูโบเกตด้วยค่ะตอนนี้ท่านอยู่ฟังขึ้นไม่ได้ตอนนี้ลงมาแล้วค่ะอยู่ช่องลมใช่ ได้ยินว่าแแข็งแรงมากพูดได้ยาวขึ้นเยอะเลยค่ะบบนี่เราตัวดูแลกลัอ๋อใช่โอ้โหก็เลยก็เลยมากับนักมัธยวันนี้ไม่มีคำถามค่ะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆอยากให้พ่อได้มากราบพระอาจารย์บา้านได้ยินดีจ้อนับเดี๋ยวพ่อ<า>จะวัดตอนเช้าวันที่สิบเก้านี้พวกหนูสามารถไปพอตักบาทเสร็จแล้วไปรอพระอาจารย์ที่วัดเพื่อสนทนาธรรมได้ไหมคะ ก็มันไม่ก็ได้บ้างไม้แต่ไม่อาจจะต้องหลังจากเวลาฉันแล้วค่ะหลังจากเวลาฉันเพราะว่าพ่อก็คงมีคําถามอยากจะถามมาสารเยอะค่ะเขาปฏิบัติแบบไม่มีครูบาอาจารย์มาสี่สบกว่าปีอะค่ะหนูก็กลัวว่าพ่อจะาบบทําไมไม่ถามตอนนี้จ้ะตอนนี้สะดวกกว่าเยอะแยๆเลยมีอะไรัถามอะไรถามก็ถามได้เลยหนูกลัวสฉาะว่าทำเพ่ามันมันมันไม่อยากให้ใครได้ยินมันมันมันมัน นั in ่นเนี่ยค่ะมันดูมันดูประหลาดก็จะได้แบ่งปงจะได้แบ่งธรรมจะได้แชร์ธรรมมากกันไงจะได้แชร์ธรรมให้คือตอนนี้หนูกลัวแค่ว่าพ่อจะเป็นภมลูกฟ้ากันค่ะพระอาจารย์อย่างเป็นเป็นธรรมทานเป็นธรรมทานอะไรก็จะได้รู้เรื่องรู้ราวด้วยพอเวลาคนปฏิบัติแล้วว่าไม่มีอะไรเลยอ๋อพอเขาก็หนูกลัวว่าเขาจะแบบ อาจจะมีหนูคือผู้ดง่ายว่าหนูกลัวว่าพ่อจะเป็นพรมลูกฟ้าเพราะว่าสมาถะเขาเด่นกว่าวิปสัสนาค่ะแต่ว่าพ่อก็พ่อก็บอกว่าพ่อก็วิปสัสนาแต่ว่าด้วยตัวเราก็เขาเขาไปคนละทางกับที่หนูเรียนมาเลยะค่ะแต่ละ <Okay. S 1> คนไม่เหมือนกันหรอไม่ไม่จําเป็นจะต้องไปแนวแนวแนวแน ว, ว, วเดียวกันมันแบบงูงูปลาป ล, า, ปลาลุงทางนั่นลุงทางนี่ติดกับดับดกตัว น, นักสนิทมาก เข้ามาไปให ม, ม่ไม่เสร็จสักทีไม่ถ่าสักทีนึ่งในที่สุดเขเลยปล่อยปล่อยหมดครับปรดีจริงๆหนูไปหาหลวงปู่จันเรียนหลวงปู่จันเรียนท่านก็เมตตาสอนพ่อมาบ้างแล้วค่ะก็สอนสอนเยอะมากจนหนูงงเลยว่าทําไมท่านสอนพ่อเยอะขนาดนี้ยค่ะท่านก็บอกว่าให้สติอยู่กับกายแม้กระทั่งการทานอาหารจะต้องอยู่กับกายอย่าคิดโน้นคิดนี่แล้วก็สมถานานทำมากเกินไปก็ก็คิดก็แบบ ยังไงนะก็คือแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยค่ะคือสมถะเขาเด่นจริงๆแต่วิปัสนาเนี่ยพ่อหนูก็ระดับนึงแล้วแต่ว่าหนูอยากอยากให้มีพระอาจารย์คอนเฟิร์มแต่ว่าหลวงปู่จันเรียนท่านก็พูดแบบอ่ะยังไงดีพูดแบบยังท่านก็พูดตามสไตล์ท่านนะคะ่ะอ่ก็เลยยังอยากคุยกับพระอาจารย์สุชาติอีกทีหนึง่งเดี๋ยวพ่อค่อยไปกราบดีกว่าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนข้างนอกเขาจะ รอนานเพราะว่าสภาวะพ่อยาวมากโอเคใช่ส่งเยอะใสบายโอเคเนี่ยไปคนที่ชนะดาสมบดประการได้ไหมหายหน้าไปไหนเมนูไม่มาส่งเลยช่วงนี้ยังสั่งอาหารอยู่เปล่าเนี่เห็นนะคะจะยินแล้วพูดได้เลยค่ะพระอาจารย์นัสการค่ะ เออจริงๆริงก็ยังฝากพี่เอกเขาทําส่งทุกพฤละหัสนะคะพระอาจารย์อ็ไม่แน่ใจว่าได้พี่เอกได้เรียนพระอาจารย์หรือเปล่าค่ะเขาเขาเขาเวลาเลยเข้าเรียนทีหลายๆคนบางทีล้วก็จําไม่ก็ได้อะว่ารายชื่ออะไรคุณนนท์คุณนี่คนนั้นคนนี้แล้วก็อ๋อไม่เป็นไรหรอกถ้าสั่งเขาก็ทำอ๋อทุกวันพฤละหัสยังเหมือนครับ ทุกเช้าเวลาถวายเขาคุณเอกก็จะอ่านลายชื่อคิดถึงพระอาจารย์นะคะไม่ได้เข้ามาหลายก็อาจจะยุ่งมากไหมชีวิตอาจจะยุ่งมากนะค่ะก็ใช่ค่ะพระอาจารย์ยุ่งเลยค่ะตรงช่วงหลังๆเนี้ยค่ะแต่ว่าหลังจากเดือนนี้ไปก็น่าจะดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็น่าจะมีแต่แต่ก็ยังก็ยังเออ่นั่งสมาธิ อยู่เรื่อยๆแล้วก็ฟังทำฟังทำเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์เราอยู่ฟังธรรมมากมากนะพ่อมันถ้าหาวันแสดงว่าถึกเปียนหนึ่งไปแล้ค่ะต้องเราธรรมะเป็นที่ยึดเดี่ยวจิตใจคอยนอนนี่จิตใจไว้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยค่ะพระอาจารย์ถ้าวันไหนวันไหนแบบถ้าไม่เหนื่อยปกติถ้าเหนื่อยก็จะพอนอนได้แต่ถ้าไม่เหนื่อยมันจะต้องนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะพระอาจารย์ อมันมันถ้าไม่นั่งมันเหมือนนอนไม่หลับอะค่ะพระอาจารย์เวลาตื่นก็ฝึกสติไปทําอะไรก็ไม่มีสติค่ะอยู่กับการกระทำอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้่นี่คือสิ่งที่เราฝึกได้ทุกวันถ้าเราตั้งใจจะทําฝึกได้ต้องอธิษฐานสัจจะอธิษฐานเราจะฝึกสติอยู่เรื่อยๆ ให้จิตควบคุมจิตให้อยู่กับร่างกายไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำอะไรก็ต้องรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตัาสัจจะไว้ขัางเป้าไว้วางแผนจะฝึกสติเพราะมันทำาก็คู่ไปกับสิ่งต่างๆที่เราทํา่ ไ, ได้ทาน้าแล้วก็แล้วก็วกจเจริญสติได้กินข้าวแล้วก็จเจริญสติได้ ทำงานแล้วก็จเจริญสติได้ใครก็ปูมาคิดย่างมันคิดยันคิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดคแล้วเราจะได้กําไรได้ทำทุกวันทั้งนที่ว่าเราอย่างต้องยุ่งกับเร่อนั้นเนี้สิ่งนั้นสนี้อยู่เราก็ยังสามารถปฏิบัติได้ถ้าเราปฏิบัติสติ ซึ่เป็นก้าวแรกก้าวสำคัญของการปฏิบัติด้วยแล้วไม่มีสติถึงาไมา่ต่อไปมีเวลาไปนั่งสมาธิมันก็ทําไม่สงบสติมันก็จะคิดวนว่ายไมีเะไรจะถามไหมวันนี้ <c oughs> มีนิดหน่อยคะ่ะพอาจารย์เอออย่างเวลาถ้าเวลานอนใช่ไหมคะแล้วเรากําหนดกําหนดเอ่อรู้ฝ่ามือซ้ายและข ว, วาสลับไปสลับมาอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ จนบางทีบางทีบางทีก็เหมือนตัวจะลอยลอยเหมือนเหมือนมันเหมือนมันจะลอยๆอยออกมาจากตัวเลยรคล้ายๆประมาณเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก่อนในช่วงเวลานอนอันนี้นี่มีประโยชน์ไมหมคะพรอาจารย์ไม่มีอะถ้าเราช่วงเวลานอนเราก็จะระเสดให้มันหลับเรื่องนี้อ๋อค่ะถ้าไม่จดระรบางทีมันคิดฟุ้งซ่านก็นอนไม่หลับได้ค่ะถ้าเราหยุดก็คิดได้เนี่ยมันก็หลับได้ ไม่มีประโยชน์ในทางปฏิบัติเท่าไหร่ใครอยากจะได้ประโยชน์ต้องนั่งลกขึ้นมาแ่มสมาธิแต่ค่ะค่ะอันนี้เป็นการเป็นการทำให้นอนหลับง่ายเลยไม่ไม่ต้องอันนเองค่ะได้ค่ะพระอาจารย์รอบน้อมขอรอบน้อมนำไปใช้ค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอบพระคุณอย่างสูง คุณจนต่อจนอยู่ที่ไหนคุณจูนน้องกลับนรมรรการพระอาจารย์ค่ะอยู่ปทุมค่ะถามเมื่อต้นเดือนมิถุนาค่ะหนูเคยถามพระอาจารย์ว่าพอดีกใกล้จะออกจากงานนะคะแล้วทีนี้จะหาสถานที่พาวนาค่ะพระอาจารย์แนะนําวัดธรรมเต่าอ่ะค่ะแล้วทีนี้หนูก็ไปมาเมื่อวันที่สิบสองมิถุนาถึงวันที่สิบเดือนเนี้ยค่ะหนูเพิ่งกลับมาแล้วก็ หนูนั่งสมาธิได้ได้ดีขึ้นนะคะนั่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ดีอยู่ได้ทั้งเ ด, เดือนเลยนะ อ, อ๋คแล้วก็าการการนเมตตาอนุญาตให้อยู่ได้นะค่ะแล้วแล้วก็แต่ว่าเวลานั่งสมาธิวันแรกที่หนูไปเลยก็คือจากเดิมที่แบบถ้าไปที่อื่นอย่างเงี้ยมันก็จะต้องแบบใช้เวลานานที่จะนั่งได้ะคะ่ะ แต่วันนั้นไปวันแรกก็นั่งได้เลยอะคะ่ะนั่งนั่งได้นานแล้วก็แต่ว่าเหมือ น, นกับว่านั่งนั่งไปแล้วความรู้สึกของร่างกายอ่ะคะ่ะมันจะไม่ไม่ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ว่าจิตความคิดเนี่ยมันก็ยังคิดอยู่อย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็นั่งได้นานอย่คือถ้ามันมีสติมันก็จะไม่ค่อยปวดเดมื่อยเท่ากับขอบขอบขอบขอบคุณาาอาจารย์นะคะ แล้ยังไงต่อจะยังจะกลับไปปฏิบัติต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูต้องออกมาหางานก่อนค่ะยังยังอาจจะปฏิบัติบ้านก่อนนะะอืมเอเห็นแราออกจากงานแล้วเนี่ยมันต้องกลับเต้องกลับปลไปทํางานใหม่เลยใช่ไหมคิดว่าจะลาออกไปปฏิบัติเลยยังค่ะยังมีภาระมีครอบครัวเนี่ยเออพอดีหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะหนูหนูมีเ<อ>ดี๋ยวหนูต้อง หาทรัพย์ให้คุณพแม่ก่อนนะคเอ่าโอเคก็คือควรจะแบ่งเวลาไปปฏิบัติด้วยนะอย่าทำงานอย่างเดีย ว, วยมีเวลาว่างวันหยุดใดก็ไปปฏิบัติถ้าไปไกลไม่ได้ก็หาที่ใกล้ๆนะหรอเราที่บ้านก็ได้กลับขอบคุณร้ายกาันโอเคสาธุ เวลาไปอยู่ที่นั่นท่านท่านให้เราทําอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ว่าให้เราปฏิบัติอย่างเดียวออของหนูของหนูพอดีแม่ชีที่ดูแลหนูอะค่ะเขาไม่อยู่แต่ว่าเขาจะมอบหมายให้หนูหูงข้าแล้วก็มีทําเจ้าค่ะแล้วก็วกทําคาวามสะอาดบริเวณที่เขามอบหมายแล้วก็ตามกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําข้อวัดแบบช่วยกันทํางานนิดหน่อยได้ค่ะ เ, ออเป็นที่สงบค่ะหนูไปออวันแรกก็หนูว่ารู้สึกว่า เข้าไปพักที่กุฏินี่แบบสงบอะค่ะโดยมากผมก็จะปฏิบัติในกุฏิอะไรเงี้ไม่ค่อยออกมากว่ากุฏิเยอยอะ่ห่างไกลกันด้วยก็ห่างห่างไกลอยู่กันค่ะไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงดังนะได้ยินเสียงครับพูดดังๆนะพูดดังๆใช่ค่ะแต่ก็เป็นส่วนตัวของใครกงไม่กุฏิค่ะกัน แล้วเขาก็ให้ตัวปฏิบัติทั้งวันถ้าเราไม่มีงานท่านต้อ ง, งทำเราก็ปฏิบัติคมา<ช>เดินโยงผมนั่งสมาธิอะไรใช่ค่ะอย่างหลวงพ่อท่านจะลงวันเป็นสองวันนะคะช่วงเย็ น, งนลงทําวันลงพระหรืรลงเทศเทศด้วยแล้วก็สวดมนต์ด้วยะคะ่ะเอ่อเราปกติถ้าท่านไม่ลงนะพวกเราต้ององทุกวันหรือเปล่าไม่ไม่ต้องลง ถ้าถ้าไม่ลงก็คือคนปฏิทิปฏิบัติใหม่ก็จะไปสวดมนต์ที่ที่ศาลารวมมาค่ะต้องไป ต, งต้องไปเรืเ่อวันเลิกได้จะไปก็ได้จะไปก็ได้โดยมากเขาจะให้เราผู้มาใหม่ค่ะเขาจะให้เราไปให้เราไปเฉพาะตอนเย็นไม่ใช่ตอนเช้าไม่มีตอนเช้าสวดเองที่กุฏิมากุฏเองที่กุฏค่ะ แ, แล้วพอถึงเมื่อสว่างก็ออกมาช่วยกันทำงนานที่โรงพวง ค่ดีอยู่ได้เกือบเดือนเลยนะสงบดีเลยสงบค่ะก็ตอนแรกหนูที่หนูบอกพระอาจารยว่าจะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเดือนนิดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้หนูก็ดูอยู่ได้ประมาณยี่สแปดยี่เก้าวันเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงวันวันวันเข้าพรรษาใช่ค่ะหนูก็เลยต้องรีบกลับมาก่อนเพราะว่าหางานด้วยแล้วก็รถมันเยอะด้วยค่ะโอเคแค่ okay. ดี ดี ใ, ใจด้วยยไม่ระเช้าอยู่วันได้งานของคุณค่ะอาจารย์เหรอจะได้รู้ว่าต่อไปถ้าเราต้องการจะไปก็มีทีไปนะขบคุณมกโอเควที่คุณวิษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ยังไงตัดผมตั้งเหรอมนทวิษาเลืม้วนผมกลับม า, มาสักการะอาจารย์ค่ะอ่าอีกครั้งหนึงเพระอาจารย์เก่าจเสียงดังไม่ได้ยิน คิดว่าตัดผมนำ้ำความเย็งยวมว้วนผมไว้ข้างหลังนะค่ะพระอาจารย์ค่ะวันนี้ก็คือหน้าร้อ น, พอนเพราะตาดเจอความม้วนไวข้างหลังตอนนี้ยูโรร้อนมากแต่ะค่ะพระอาจารย์แปดสี่สิบค่ะมันเป็นร้อนแห้งค่ะพระอาจารย์ได้ที่คนมาจากแอฟริกาค่ะอาจารย์ที่ใช้ไ ม, มก็ร้นอนแบบนี้แหละสี่สิบไม่ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์เมื่อเมื่อวานค่ะ เกือบสี่สิบกับสามสิบแปดค่ะพระอาจารย์อนมากที่ภูเขาหนังแข็งว่าไม่ละลายกันนะละลายอหมละลายค่ะพระอาจารย์ก็ละลายแต่มันก็ยังไม่หมดเพราะมันเป็นแบบทานหนังแข็งมากแต่มันละลายลงเยอะมากค่ะพระอาจารย์ส่วนก็คือได้รับอิทธิพลเยอะมากคะ่ะช่วงอาทิตย์นี้ค่ะเขาบอกทั่วยุโรปเลยค่ะพระอาจารย์ว่าเมืออ่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยุโรปทางกลางก็คือสเปนมี คนเสียชีวิตจากอากาศร้อน500กว่าคนนะคะอาจารย์มีไฟป่าด้วยไฟไม่ด้วยใช่ค่ะอาจารย์แล้วทางนี้ก็เขาบอกจนถึงวันพฤหัสสุดเนี่ยค่ะน่าจะเย็นลงนิดนึงก็สู้ต่อไปตามตามให้มันเป็นธรรมชาติใช่ไหมคอะมอาจารย์ับมันได้ใช่นตามเาป็นนัาตามแไปวั่งมันไม่ได้ มันจะร้อนจะหนาวจะเย็นมก็ต้องอยู่ประมันไปอย่าไปทุกข์กับมันนะแต่ถ้าเกิดเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างมันร้อนมากเราสามารถเปิดพัดลมแบบคือแบบช่วยได้กได้ทําอะไรก็ได้หรือไม่ทําก็ได้ถ้าถ้าอยากจะเป็นซูเปอร์แมนก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาอะไรช่วยก็ได้ใช้สติปัญญาช่วยอย่างเดียว น้ำใจใ้เป็นอุเบกขานาพนพอไ่เกเดี๋ยวก็เกิดไฟดับมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยแต่ไฟดับพันลงไม่ใช้ไม่ได้เออเราจะไฟดับนี้แต่กลัวหน้าหนาวเนี่ยกลัวจะไฟไม่พ อ, อ <laughs> ถ้าเราฝึกแบบอีูแบบกับธรรมชาติได้โดยที่ไม่น่าอาศัยอะไรได้ก็ดีแต่ก็ไม่ห้ามท่านเลยนะ ห, หาว่าแต่มันเรื่องเรื่องของของการเต็มเต็มตัวของเราให้รับกับ เหตุการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นาตอนนี้ค่ะยงก็พยายามฝึกเจรณานะความตายให้มากขึ้นกับอาจารย์ อ, อตามที่อาจารย์เทศสอนแล้วมันก็กระตุ้นความเพียงขึ้นมาค่ะอาจารย์ใช่แล้วเราทำข้อสอบค้านนี้ได้ไหมถ้าเราจะตายวันนี้ใจของเราจะเป็นยังไงเฉยหรือเปล่า ไม่เดือด้อนหรือปล่าไม่วุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดพอเราไปห้ามมันไม่ได้ถึงเวลามันจะตายไขรห้ามไม่ได้ทำไม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยางห้ามมันไม่ได้ห้ามใจได้ห้ามใจไม่ให้เครียดได้ฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาไว้มันก็จะไม่เครียดมันจะความเฉยได้โยมก็ ปัจจุบันเนี่ยคาให้เพื่อมากขึ้นแล้วก็สุิีมากขึ้นแล้วยนก็เออ่ ม, มองตอนนี้เห็นเห็นมองเ่ะว่าก็าเห็นว่าสิ่งที่เรามีอยู่สิบที่เรามีอยู่มันสร้างความทุกข์ให้เราคร่ะอาจารย์<ม>แต่พอจะวางจริงๆเรายังไม่มีกําลังที่จะวางมันได้อ่ะอาจารย์รอมก็ให้เวลาก็ฝึกตอไปให้ยังก็ให้รู้ประการว่าแล้วก็แบกมันอยู่ค่ะก็คือยนก็เลยพยายาง เอาโจทย์ข้อนี้มาทําที่ได้อ่ะให้ให้วางมันให้ให้ได้ให้เร็วที่สุดที่จะสามารถทำได้พยายามใช่มันได้น้อยใช่มันได้น้อยอาศัยมันได้น้อยใช่มันเท่าที่จำเป็นโอเคมีอะไรไหมน้องน้องปฏิบัติไม่มีอ่าไม่มีครับอาจารย์ก <Okay. S 2> ็คือคําำทดสอบข้อนี้อยู่กับพระอาจารย์ถูกอ่ะนะคุณยินดีอันนี้ก็อยู่ติดกันอยู่ฝรั่งเศส ร้อนกัสนเป็ะไรร้อนไหมฝรั่เเศสร้อนไหมร้อนมากค่ะท่านอาจารย์เมื่อวานลูกขึ้นไปที่ฝรั่งเศสลูกขึ้นไปที่ปารีสอะค่ะเพราะช่วงนี้ขึ้นมาอยู่กับเดวิดอะค่ะเพราะว่าเมื่อวานต้องไปปารีสเรื่องวีซ่ากันนะคะท่านอาจารย์แล้วที่ปารีสดอบต้นไม้อ่ะค่ะเขาแบบมันไหม้อ่ะค่ะท่านอาจารย์ไหม้แล้วก็คานแล้วก็ อใบไม้ก็ร่วงลงมาหนูไม่ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงแต่คือด้วยความที่มันแห้งจัดเนี่ยค่ะท่านอาจารย์แล้วก็แถบบอโดก็ไฟไหม้เรื่องจากความแรงเนี่ยค่ะท่านอาจารย์คงอันวนคงยามไหม้เยอะบ่อน้ำวนคงคงจะเป็นอย่างนั้นนะคะท่านอาจารย์ก็ก็เขาก็กําลังจะก็หวังว่าคือคงจะไม่ลามให้มากขึ้นอะค่ะท่านอาจารย์ แถบทางใต้ทุกคนก็มีปัญหากันการเรื่องบ้านเรือนก็ต้องเออขยับขยายกันนะคะท่านอาจารย์ค่ะแล้วเมื่อวานที่ปารีสเขาก็คือทางรัฐบาลก็แบบว่าแจ้งให้ประชาชนทราบว่าควรที่จะดื่มน้ํานะเพราะอย่าให้มันแบบเพื่อที่ว่าจะได้ไฮแดดค่ะค่ะท่านอาจารย์เขาบอกให้ดื่มน้ําทุกๆไอ้นีอ่อทุกๆพยายามดื่มน้าให้บ่อยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าประมาณสามชั่วโมงะคะ่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่า เดินเดินอยู่ตามร้องถนนถ้าห้าเข้าห้างได้ก็เข้าเพื่อที่ว่าได้รับอากาศแอร์นิดหนึ่งเพื่อปรับสภาพแล้วจากนั้นก็ออกมา์ทีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะาประกาศท้ลูกก็ไม่มีคำถามก็ท่านอาจารย์ก็ปฏิบัติเรื่อยๆคะ่ะแต่ปฏิบัติได้ดีขึ้นมากคะ่ะเวลาเราอยู่คนเดียวมีความสุขมากเลยคะ่ะท่านอาจารย์พะ อ, อยู่กับแม่กับพี่สาวแบบ ก็ต้องใช้ความเมตตาค่ะเวลาเราแบบถ้าเกิดจะมานั่งแล้วแบบหายตัวไปมันก็เหมือนกับเราจะลเกียรติเขาก็ใช้ระบบความเมตตาที่อาจารย์ท่านสอนนะคะแล้วก็คําพูดของอาจารแล้วก็คําสั่งสอนของท่านอาจารย์ก็ผุดขึ้นมาเ ร, เรื่อยๆเรื่อยๆเวลาอยู่กับเขาอะค่ะมันมันก็ดีอะค่ะถ้านอาจารย์ได้ไ ด, ได้ได้รับธรรมะดีค่ะท่าอาจารย์อ่อมถ่อมตัวว้ทำตัวเราเป็นเหมนคนทักใช้เขา ค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ลูกก็อาศัยแบบใช้เดินใช้เดินจงกรมเอาก็คือจะบอกแม่ว่าขอขอไปเดินนะค่ะ ข, ขอไปเดินออกกําลังกายนะแล้วเดี๋ยวขอไปเดินออกกําลังกายประมาณชั่วโมงนึงแล้วเดี๋ยวขอแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานะอะไรยเงี้ยไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยลูกก็จะแบบใช้เอกเทศในรัศมะแบบนี้เอาะค่ะท่านอาจารย์แต่พอมาอยู่ที่แล้วก็ดีค่ะท่านอาจารย์ถ้าเราอยู่นน ด, ด้วยกันหน้าไม่มีปัญหาต้านีนะ ถาไม่มีค่ะท่านอาจารย์คำสั่งสอนท่านอาจารย์ผุดขึ้นมาเรื่อยๆค่ะท่านอาจารย์ก็ ด, ดีขอพระคุณคุณขอพระคุณค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงท่านอาจารย์แล้วก็ บ, บอยส่องเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ขอพระคุณเป็นอยางสูงคะ่ะท่านอาจารย์เช่นเดียวกันนะบอกรำคิดถึงให้คนเดวิดด้วยค่ะขอพร ะ, ะรคุณมากค่ะเธออาจารย์กลับมาที่อุบลคุณแดทสุภดา ก, การนมัสการค่ะพระอาจารย์ น, นีไม่มีคําถามค่ะโอเคไปที่นักกรรเชียงธรรมราชคุณกวาง ก, การนมัสการค่ะเอมีอะไรแม่วันนี้วันนี้เหรอคะเอออ่าแรกก็คือหนูต้องขอบว่าคุณพท่านอาจารย์นะคะเพราะว่าได้เริ่มในมาฟังธรรมะค่ะหนูก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเริ่มมีสติแล้วก็แบบก็เรียกว่า สามารถเอเข้าใจอะไรบางอย่างได้มากขึ้นนะคะแต่ก็ก็ยังมีบางทีที่แบบยังจัดการอารมณ์ตัวเองได้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะก็ค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ได้เป็นอัอาานไม่ได้เป็นอาลาร ท, ทันทีทันใจค่ะแล้วก็บางทีแบบเ อ, อยังขาดทํางานแล้วบางทีก็แบบเ อ, อยังก็ตั้งใจแต่หนูว่าบางทีมันยังเปลียน ใช่ยังทําได้ดีกว่านี้ค่ะแต่ว่ายังทำได้ไม่ดีเท่าเท่าไหร่ยังขยันน้อยเงี้ยในในมุมของหนูนะคะอาจจะเพราะมีอะไรเข้ามาเข้ามาหลายๆอย่างเนี้ยค่ะคือหมายถึงก็มีการเยอะเยะแล้วแบบทําตามกําลังเรามีแค่สองมืออย่าไปทําเหมือนคนมีสี่มือทําตามกําลังของเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ยัง อย่างเช่นแบบยังสังเกตตัวเองเห็นว่าแบบก็ชอบหลุดนะคะอย่างเช่นสมมุติเวลาเราเครียดเนี่ยเราก็จะแบบทําอะไรที่ไม่อยากทําเช่นแบบจะกินกินกินอย่างเงี้ยหนูก็ยังไม่หาเหตุไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมมันต้องเป็นเช่นา น, านั้นนะคะทั้งที่บางทีก็ไม่ได้กินเลยจีเล่เลมันชอบกินเนี่ยพอมันเครียดนก็แก้ ว, วิธีเครียดในการกินจีเล่มันเป็นอย่างนี้ทุทก<ล>ทุกคนเลยทุกคนเลยอ๋อเวลากินนื้อ ดูความเป็นปฏิกูลของที่เระของที่เรากินอ่ะเข้าไปในท้องแล้วมันน่ากินนั่นน่าดูไหเวลาเอามาจากร่างกายเรามันน่ากินะไหมก็จะมันก็จะลดความอยากกินลงไปได้แต่ตอนที่กินมันคิดถึงความอร่อยมากกว่ามันมันไม่มันไม่ทันได้พิจารณาปฏิกูลเนีนะก็ต้องเราหักินแล้วไงว่ามันอร่อยไงใครเอามาดูหน้าตามันหน่อยก่อนจะกินเข้าไป ของที่กำลังเคี่ยอยู่ในตปากนี่นะมันอร่อยนึกเกิเดี๋ยวคอดูหน้าตามันหน่อยคลายออกมาแล้วไม่เอาไปเอาเอากลับเข้าไปใหม่อ่าใช่ไหม uh. ขางที่ uh. อยู่ใน่ากกัเขางที่อยู่ในจานมันไม่เหมือนกันใช่ไหม uh. เราเราดูแต่ของที่อยู่ในจานมันก็เลยน่ากินถ้าเราดูของที่มันอยู่ในา่างมันก็ไม่น่ากินนะอ่า uh. uh. ต้องพลิกต้องต้องพลิกแกงกินเลย กิเลมันหลอกให้เรามองแต่เวลาที่มันน่ากินมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ยอมให้เราลองเวลาที่มันไม่น่ากินมันเป็นยังไงค่ะอ่ ะ, ะมีอีกนิดนึงค่ะเรื่องของแบบจัดการความโกรธเนี้ยค่ะบางทีก็ก็ก็แรงกระแทกเยอะเหมือนกันนะคะหนูเองก็ก็พยายามที่จ ะ, ะไม่ท่องพูดโตพูดโตไปเวลา ไปทำให้เรากรธแล้วก็พุโทโธพุทธพุทธนะอย่าไปสนใจกับคนที่ทาให้เรากรธถ้าแยกตัวออกไปจัดเขาได้ก็แยกตัวไปออก่อนปเขาน้องไปเข้าห้าาแล้วนะก็พุโทโธพุทโสงบสติเราไม่อยากถูถ้าให้ทาใภัยก็ได้ถ็ให้ภัยก็ไม่เป็นไรไม่จีบสกันขอไงกินมากานี้ นี่ว่าทำบุญกันก็แล้วกันอ่าเขาทำเราแล้วเขมีความสุขก็สาธุอนุโมทนาค่ะลยเราจะ<อ>ไม่โกดเขาเมื่อกี้เราทำบุญเนี่ยค่ะเข้าใจนะเข้าใจค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะนีค่คนเอิมคนอ้อมใช่ไหมอ้อม ตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้านบ้านอยู่ที่่ค่ะอยู่ที่บ้านค่ะที่บางละมุงเจ้าค่ะบางละมุงอ่าวันนี้เข้ามาฟังไม่มีคำถามเจ้าค่ะบางละมุงตรงไหนนะบางละมุงตรงแถวแยกกระทิงลายอะค่ะแถวกระทิงลายแล้วค่ะแทนที่คุณมิ้นม้นสุดดาราไม่นดเจอหน้ากันนานกอกับก <c ười> สวัสดีคะ่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะ หนูเข้าซูมครั้งแรกค่ะใช่เป็นยังไงค่ะแต่ว่าปกติหนูฟังอยู่เรื่อยๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้วันเกิดเลยอยากจะมากราบครูบาอาจารย์ค่ะขอให้มีความสุขมากๆอายุยืนยาวนะสุขภาพแข็งแรงนะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์มีคำถามค่ะถามเลยค่ะหนูปฏิบัติมาเรื่อยๆอะค่ะตอนแรก เข้าวัดป่าครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วก็ไปอยู่แบบไม่มีน้ํามีไฟอะค่ะเป็นวัดป่าที่จังหวัดอุดรค่ะทีเนี้ยหนูก็อยู่ได้แบบสิบเจ็ดวันเลยนะคะจนวันเกิดวันวันที่ยี่สิบเนี่ค่ะเมื่อสองปีที่แล้ว mm. ก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็แบบสงบสบายดีค่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นก็กลับมาทําที่บ้านนะคะทําบ้านให้เป็นวัดทีนี้หนูก็พยายามฟังทำทุกๆวันเนี้ยคะ่ะแล้วก็ปฏิบัติ แล้วหนูก็แบบเจริญสติแบบยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้ค่ะก็ทําทําตลอดทีนี้เวลามีปัญหาอะไรเข้ามาอย่างนี้ค่ะก็ยังเห็นว่าเวลามีจิตขุ่นมัวมันก็จะขุ่นมัวน้อยลงเรื่อยๆนะคะทุกน้อยลงเรื่อยๆสุกมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าพอเห็นเนี่ยเราก็สักแต่ว่าเห็นไม่ได้ไปแบบไปตามความคิดเพราะว่าเคยที่เรียนถามพระอาจารย์ตอนหนูนะคะเมื่อก่อนหนูก็จะคิด คิดไป้ยค่ะเป็นธาตุความคิดทีนี้พอเริ่มแบบไม่ตามความคิดได้สักแต่ว่าเห็นเนี่ยเอ่อก็จะเห็นมันดับไปเนะะี่ยค่ะทีนี้หนูก็จะเอามาพิจารณาเป็นปัญญาว่าแบบเพื่อที่ให้มันไม่ไปหลงขุ่นมัวอีกอย่างนี้ยค่ะให้มันลงอนิจจังผู้ขังอนัตตาตลอดเนี่ยค่ะค่ะทีนี้ค่ะคําถามก็คืออ่าถ้าถ้าทําอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะแล้วยังยังจะต้องแบบ ไปเดินจงกรมในรูปแบบหรือว่านั่งสมาธิแบบหลับตาไหมเพราะว่าเวลาไปอยู่วัดป่าเนี้ยก็ลองเดินจงกรมถึงเช้าลองนั่งสมาธิก็ก็นั่งได้เรื่อยๆอยู่ค่ะหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจเจริญสติในชีวิตประจําวันไปเลยแบบไม่ได้ว่าต้องนั่งหลับตาหรือเดินจงกรมอย่างเงี้ยได้ไหมคะ่ะได้แต่มันจะไม่ดีเท่ากับไปนั่งสมาธิด้วยถ้านั่งสมาธิจิตเน่ยันจิตจะมีพลังมากขึ้นน่าจะ พระอาจารย์ขอโทษนะคะพราดีเสียงไม่ชัดได้แต่ถ้านั่งสมาธิได้นยิ่งดีอมสมาธินี้จะเป็นตัวเสริมพลังให้กับใจให้มีกำลังสู้กับกิเลสตัณหาได้ดีกว่าสติอย่างเดียวเห็นถ้ามีเวลาควรนั่งด้วยอยากจะอยากจะเจริญสติเจริญปัญญาอย่างเดียวเพราะมันอาจจะทำให้มันอาจจะแก้ปัญหาแบบผิวเผินได้แต่ถ้า ไปเจอปัญหาแบบเรื่องด้วยกาอย่างจะแก้ไม่ได้กำลังไม่พอถ้าไปเจอปัญหาอะไรนะคะที่หนักๆเช่นร่างกายเป็นมาเร็งอะไรอย่างเงี้ยจะร่างกายอาจจ ะ, ะทุกข์ทรมารเจ็บไข้ได้ป่วยรือสูญเสียของที่เรารักอะไรไปอย่างเงี้ยม่าจจะทำาจจะทใจไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธถถิพอ อาจนนจะปล่อยวางกับของเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆได้ของเบาๆแต่ก็เจอของนกข้อสอบหนักๆนี่อาจจะนับไม่ไหวก็ได้ถ้าไม่มีสมาธิให้กำลังดังนั้นคนอย่านั่งเนี่ยพระพุทธชจา ย, ยังไม่สอนให้นั่งสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญา ค่ะอย่างงี้ถ้าเราสลับกันก็ได้ใช่ไหมคะนั่งแล้วก็สลับกันทำสลับแล้วนั่งแล้วอยากคิดอะไรให้จิตเน่งให้สงบเวลาออกมาเดินเราก็คิดทางปัญญานะเนีพิจารณาทุกอย่างไปที่ใจรักได้ค่ะบางทีตอนเดินจงกรมก็นึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นหรือถึงพระอาจารย์อย่างนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะตอนเดินบางทีมันก็เป็นกําลังใจอย่างนี้ยคะ่ะ ก็ ไ, ไ ม, ไมถ่ถ้าเป็นาถ้าถ้ากำลังใจกัได้นอย่าไปคิดันกระทั่งไม่เร า, าไม่มีสตินะต้องให้มันมีสติอกับการเดินค่ะบางทีมันก็นึกขึ้นมาเองว่าแบบเออหนูเดินถวายปฏิบัติบูบชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสักคู่แล้วก็กลับมามีสติเหมือนเดิมอย่าง้ได้นะดนะได้คิดแป๊บแล้วก็ได้คิดให้กำลังใจเ <c oughs> วลาเราปฏิบัติบูบบชา คิดถึงความเปลี่ยนของครูบาอาจารย์พยายามทําตามแล้วลอยพรบาดของพระเจ้าของภาษาวกทั้งหลายค่ะถามอีกนิดนึงได้ไหมคะได้เอาให้เต็มที่เลยค่ะหนูหนอ่าหนูอยากทราบว่าแบบต่อไปะคะ่ะนอกจากว่านั่งไปเรื่อยๆ เ, เดินจงกรมไปเรื่อยๆปฏิบัติ ท, ทําในชีวิตประจาําวันหนูพยายามลดงานลงค่ะอาจารย์แล้วก็ทําน้อยมากเลยทุกวันนี้คือปฏิบัติเลยอะคะอ่ะเพราะว่า ก็มีงเงินเก็บเอ่อค่อนข้างพอสมควรทำงานมานานค่ะอยู่เมกามาแปดปีทีนี้ก็เริ่มปฏิบัติจริงจังทีนี้หนูอยากทราบว่าถ้าสมมติว่า <c oughs> นี่มันจะถามว่าอะอ๋อก็คือยืนเดินนั่งนอนแล้วก็ทำพวกนี้ <c oughs> หนูลืมแล้วอ๋อเข้าใจละ <c oughs> หนู <c oughs> หนูกลังจะบอกว่าถ้าหนูจเจริญมรณานุสติ อยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเเคย mm. เคยกังวลเรื่องแบบเป็นห่วงครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอปรึกษาพระอาจารย์ตอนไปทําบุญนะคะหนูก็เริ่มมาพิจารณาปัญญาว่าแบบเออยังไงแบบไม่มีอะไรเที่ยงอันนีจ้จางทุกข์หอะไรตาทุกคนต้องไปจากกันไปเนี้ยหนูก็เริ่มทําใจได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ mm. เป็นห่วงครอบครัวน้อยลงหรือเวลาร่างกายตัวเองเพิ่งหายจากโควิดนี้ค่ะถึงเป็นหนักยังไงก็คือค่อนข้างปล่อยวาง ได้อยู่ค่ะแล้วก็เคยเป็นหูดับไปเลยแบบไม่ได้ยินเลยร้อยเปอร์เซ็นเนี้ยก็อยู่กับมันได้แบบใจสบายอยู่ค่ะทีเนี้ยอยากรู้ว่าขั้นต่อไปหนูแบบเน้นเรื่องอะไรต่อนยนค่ะเราเด็กอะไรอยู่ตอนเนี้เราห่วงอะไรเราทุกหนูเหรอคะหนูตอนไปวัดป่าที่ถ้ำพระจ้าเนี่ยค่ะหนูหนูหนเอ่อเมตตาสะอาดหนูเคยกลัวลิงวัดป่านั้นมีลิงเดลยคะ่ะหนูก็ ตอนนี้เป็นเพื่อนกับมันเมตตาแต่ว่ามีตุ๊กแก่ะค่ะหนูไม่รู้ว่า hmm. คือหนูไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าแบบคือในใจอ่ะค่ะด้วยด้วยปัญญาเนี่ยไม่ใช่ด้วยความรู้อะค่ะที่ยังไม่เป็นปัญญาะค่ะมันรู้ว่าแบบเราไม่ควรรังเกียจเขาแบบมีสิ่งที่เหมือนกันมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันเนี่ยค่ะแต่ว่าลึกๆเลยค่ะทราบว่ามันรังเกียจอะค่ะหนูไม่รู้ว่าทํำยังไงมันยังไม่พิจารณาพิจารณาว่า คือเราจะรังเกดเขากลวาความไม่สวยไม่งามของผิวหนังเขาเท่านั้นเองเราก็บอกว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่จะต้องมีผิวหนังแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปเราเฉยๆก็ได้นะเรามัน้อไม่ต้องไปรักเขาเพียงแต่ว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงของเขาว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้นะแล้วก็ทําใจบางเฉยไปดูเบงคา ไม่ได้ไปกลัวเขาเขาทำอะไรเราไม่ได้เขาอยากมากโอกานเรามันก็มันก็เหมือนถูกมีดบาดอะไรท่านนี้โอกานเราจริงๆพัฒ น, นาไปเรื่อยๆต่อไปมันค่ามันก็จ ะ, ะทํำใจไนดะ้ได้กินไหมคะมันเข้าไปได้ยิน ไ, ได้ยินเราพูดหรือค่ะค่ะ ค่ะพาซานค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูค่อยๆพยายามพิจารณาไปเรื่อยๆเรื่องตุกแกก็หนูจะไปอยู่วัดป่าเป็นระยะค่ะทีเนี้ยหลายทีก็คืออย่างที่บอกว่าแบบอยู่ได้เรื่อยๆรื่สบายสบายใจแต่มันก็จะมีบางทีที่แบบมันจะมีคืนที่ฟ้าร้องฝนตกแล้วทุกอย่างมันที่วัดเแบบมันเงียบนะคะตอนกลางคืนวัดปะใช่ไหมคะทีนี้คุณแม่หนูก็จะเป็นห่วงไม่อยากให้ไปแล้วเขาชอบส่งข่าวเรื่อ ง, องคมขืน อะไรเงี้ยค่ะในวัดก็มีอะไรเงี้ยมาให้หนูก็มีความคิดขึ้นมานิดนึงว่าเออมันหนูก็กังวลเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเออแต่ว่าหนูก็พยายามพิจารณานะคะว่าแบบเอออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมคะบางทีมันก็รู้สึกกลัวขึ้นมาหนูก็เปิดฟังทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะให้มันกลับมาอยู่ที่อุเบกขาค่ะคือมันอย่างที่หนูพูดอะไรมันจะเกิดก็เกิดอยู่บ้างมันก็เกิดได้ จอนปนีเข้ามาในบ้านเรามันก็มาทำร้ายเราได้ข่มขืนเราได้นั่นมันเป็นเรื่องที่ให้เราอย่าประมาทให้มีความระมัดระวงังเห็นใครแต่งหน้าอะไรเราก็ต้องเข้าหลบไปที่มิตรชีตอะไรแถ้าอะไมันจะเกิดก็ก็เกิดขึ้นแลนานาน้วนะ่าจะอยู่ที่ไหนไมเคว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะร่างกายของเรานี่มัน มันเป็นที่จะต้องเผชิญกับภัยต่างๆเราก็คอยดูแลมันเท่าที่เราจะดูแลได้ไปได้แต่ถ้ามันสืบวิสัยก็ถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราก็ราะฉะนัะ้นใช่ไหมไม่มีใครไม่มีใครห้ามมันได้ถ้ามันจะเกิดส่วนวนี้อยู่ที่การไม่ละมั่นระวังของเราส่วนนี้อยู่ที่การที่เราไม่ ไม่ไม่ป ก, กัิตัวเราเองอันก็ต้องนนต้องในการะมัดระวังป้องกันตัวเราเองอย่าประมาทแต่ถ้าทําดีแล้วมุณแล้วมันยังเกิดขึ้นก็ก็ปล่อยมันไม่ต้องไปขัดขืน น, ะนอนทื่อเป็นเหมือนสงฆ์ปนดีไปก็ได้เดี๋ยวมันก็ไปนะพอไม่พอไม่ได้รบายอารมณ์แล้วมันก็ไปนะ <c oughs> ไม่ต้องการอนะไรอย่างเรา ค่ะปล่อยวางร่างกายใช่ปล่อยวางร่างกายเพ า, า, าไม่ใช่ของเราค่ะพระอาจารย์หรือว่า น, นอนกับแฟนเราก็ได้ที่เราเป็นแฟนเราไปข้างบนี้ยไม่มีแฟนค่ะพระอาจารย์ไม่ให้ไม่มีแฟนเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีห่วงจะได้เป็นอิสระต่อทุกอย่างค่ะได้ดีไม่มีได้ก็ดีค่ะมีแต่ ก, กรารยานะมีรทําบุญทําทานค่ะ ได้แต่มาถึงกรณีที่ถูกขมคื น, นะก็อาจทําใจว่าเขาเป็นแฟนเราก็แล้วกันอาจะเป็นแฟนจากชาติก่อนตามมาหาเราก็ <c oughs> ปล่อยก็ทําไปไม่ต้องไปต่อบู่ดีกว่าตอบช่วยมันเจ็บโตัวเปล่าพัดจันค่ะพัาจันมีอะไรแนะนําไหมคะที่หนูจะไปปฏิบัติต่อคะหนูตั้งใจคะ่ะ ก็อย่างที่หนูปฏิบัตินะพิจรณาความตายในเรื่อง่างก า, ายนี่มันไม่ไมมว่าอยู่ที่ไหนวันใดวันหนึ่งก็จะต้องตายนเราก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับมันมากเพียงเพีงดูแลเท่าที่เราจะดูแลได้อย่าประมาณแต่ก็ไม่กังวลอะไรจะเกิดก็เกิดอันนี้เรามีเวลาเราท้อพยายางเจริญสติทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาให้มากที่สุด พราเวลาเกิดเหตุการณ์อะถ้าใจาเราเน่ยงแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ที่ไปปฏิบัติในฟังก์นต้องได้ให้ใจเราวางเฉยเป็นอเบคขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทา ไ, ได้ถ้าเข้าสมาธิได้มันจะได้เต็มร้อยเลยอุเบกขา เข้าสมาธิคือเฉพาะต้องนั่งหลับตาเลยใช่ไหมคะแบบนั่ง <S <S ไปนานๆเลยหนูก็นั่งหลายคืนหนูก็เดินจงกรมแล้วยังไม่เคยไม่เป็นไรก็สติเรายังไม่ไม่มีกำลังพอก็อฝึกสติไปเรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งความจริงยังไม่ควรพยยิจารณาเวลาเดินจงกรมนี้ให้ให้นีสติรู้เฉยๆดีแนวะ่ารู้อยู่กับท้าที่เราเดินก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปรูพุทโธพุทโธไป อย่าไปพิจารณาเพราะว่ามันทมันจะทำให้ใจมันไม่นิ่งนอย่างคิดอยู่เนี่ยหันหยุดคิดก่อนมันหยุดคิดได้เข้าสมาธิได้แล้วไปออกบมืคิดทางปัญญาต่ออ๋อสงสัยหนูหนูสลับเร็วไปแบบ<อ>นั่งแล้วหนูก็ลุกไปเดิน ไคือรู้ไปเดินอย่าขึ้นอย่าขึ้นพิจารณาให้ให้พุโทโธพุโทโธต่อไปเรื่อดูการเดินขงเราไปได้กวาได้มาไปอันนี้ไม่ต้องคิดทางปัญญาพักไว้ก่อนมาฝึกสมาธิให้จิตมันรวมให้มันเป็นอุเบกขาให้ได้ก่อนแ ล, แล้วจากนั้นเราค่อยไปฝึกทางปัญญาต่อได้ ข, yup. ข, ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะกับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให yeah> ้ทำมาด้วยนะคะวันนี้มาวันเกิดมาเข้ามาสวัสดีครูบาอาจารย์ค่ะสาธุสุสาค่ะอายมากกายนนั่งไปีสุดหน้าขอบพระคุณค่ะโอเคครับกพี่ก็จากสุราษฎร์ธานีทำีการครับพระอาจารย์วันนี้รักษาสิบแปดครับ เออรักษาได้สีนรู้สึกว่ารักษาได้แบบดีขึ้นดีดีขึ้นกว่าอาทิตย์ที่แล้วครับเรื่องสิ่งที่มากระทบต่างๆมันมีครับรู้สึกว่าใจเราจะหนักแน่นมากกว่าเดิมครับอาจารย์แล้วก็แบบคือแบบมันมีมีอะไรมากระทบแต่ว่าเราแบบว่าไม่ทุกหรือว่าเรามีสติมีขันติมีปัญญามีธรรมะที่ผมได้ฟังพระอาจารย์ทุกวันแล้วก็มาใช้ครับ ก็รู้สึกว่ามันมันที่อาจารย์พูดว่า ท, ที่แล้วมันก็ประมาณนึงแต่ว่ามันมันมีความสุขแต่เนี้ยมันรู้สึกว่าแบบมันเผชิญทุกข์แต่ว่าแบบว่ารู้สึกว่าแบบว่า เ, ออเราส ง, งบอะครับมีช่องทามอะไรไหม อ, อ๋อมีครับก็คืองานงานตอนเนี้ครับมันจะน้อยลงครับผมแต่คือผมเว้ มันก็ไม่ได้ทุกครับอาจารย์แต่ว่ามันจะดีถ้าแบบว่าเออ่ถ้าเราเอาเวลาตรงนี้มาต้องงานมันเท่าเดิมมาครับอาจารย์ <c oughs> มีเท่านี้ครับก็คิดว่าดีสิงานน้อยเราจะได้มีเวลาให้กับงานปฏิบัติมากขึ้นเดี๋ยวงานเงี๋ยมันจะน้อยมครับอาจารย์มันก็ไม่ได้ทุกนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็คิดแต่ว่าเราเราไม่รู้สึกว่าทุกข์อะครับเมื่อถาายังพอมีบอทีนอยู่ก็ไม่ต้องไปขังมันม า, มากอย่างไร ครับแล้วก็ก็คือก็คื อ, คอเดี๋ยวก็น่าจะตั้งใจปฏิบัติถือศีลตอนแล้วว่าจะเจดปีแต่ว่านี่คือเดี๋ยวเข้าพรรษาก็คือน่าจะถือศีลไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปฏิบัติทําไปเรื่อยๆครับส่วนเมื่อกี้แบบก็ได้จากการที่พระอาจารย์คุยกับพี่ๆก็ได้เยอะแล้วครับไม่มีอะไรครับวันนี้ครับโอเคอะะครับพระเอกจาเชียงรายจากใต้ในเหนอสุดเรายกราบรมสการพระอาจารย์ครับ วันนี้เข้ามารับฟังอาจารย์ครับไม่มีคาถามครับก็ไปปัดในทรัพย์ครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้วันพักครับอพรุ่งนี้วันพักวันนี้่ครับวันนี้พรุ่งนี้วันพักครับไป้าทุโอเคไปที่ด้านต่อไปเลยคุณมนิกาครับอยากชยาสุรานอาชยยาสุรานกราบน้มัศการเจ้าพระอาจารย์ ได้ยินไหมคะได้ยินจ้ะมีอะไรไหมก็เปป่าฟังธรรมของพ่าอาจารย์กับผู้วันนะคะก็มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะท่าอาจารย์เี็ความรู้สึกว่าพอปฏิบัติไปแล้วมันมึนค่ะ่าอาจารย์สาเหตุมาจากอะไรเจ้าคะท่านอาจารย์มันเป็นปกติร่างกายบางทีมันก็มึนบางทีมันก็ไม่มึนก็เหมนด้านนิจังพิจนาเป็นไม่ที่เป็นหน้าตา เราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่เหมือนไม่ได้มันจะเหมือนก็รู้มันเหมือนกันนถ้ามีปัญหามันเหมือนไม่หายก็ไปหาหมออยู่ถ้ามันเหมือนช่วนยเดียวแล้วมันหายไปก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายบางทีมันก็สรุปอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างออกมาไปมันก็แสดงอาการต่างๆออกมาเหรือว่าหนูก็คิดว่าอย่างนี้นะคะพ่อาจารย์ว่าเหตุมาจากว่า เราตั้งใจมากเกินหมายถึงว่าไม่หรอกกิเลสมันจะบอกให้เราตั้งใจมากค่ะควาตั้งใจมากก็ดีเพ่หแต่ว่าต้องปฏิบัติให้มากตามความตั้งใจนะ อ, อย่าไปอย่าไปตั้งใจมากแล้วหวังผลมากแล้วไม่ปฏิบัติบางทีก็อาจจะเครียดได้อาจจะผิดหวัง <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้ก็แต่ไม่เป็นไรถ้ามันหายแล้วก็ไม่เป็นหาเป็นอดีตไปแล้วก็ไม่ต้องมากังวลก็ก็เป็นวงก็ถามว่าการนั่งสมาธิก็ ก, ก็มีนิวรณ์เรื่องของกังวลค่ะพระอาจารย์เพราะว่าได้ฟังของเทพของพระอาจารย์บอกว่าเออถ้าสมมติว่าจะเจริญสติได้มั่นคงมากที่สุดนั่นก็คือให้นั่งสมาธิแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นลูกจะ ไม่ได้นั่งสมาธินะคะก็พอตอนนี้มานั่งคัะสมาธิแล้วก็มันอืมมันเป๊บแป๊ แ, ป แ, ป แ, ป c, แล้วก็ต้องรู้รู้สึกว่ามันบอกว่าเปลี่ยนได้เล้วเปลี่ยนได้แล้ ว, ลลวจ้าค่ะอาจารย์ก็สติเรายังมีกําลังไม่พกไม่พอฝึกสติต่อไปนะฝึกแล้วนั่นจะนั่งได้นานขึ้นจ้าค่ะพ่ะอาจารย์สาธุครับคุณสงปรารถน อที่ไหนอ่ะคุณรานัะบนมันสการท่านพระอาจารย์ครับอ่าอยู่ที่ไหนอ่าผมอยู่จังหวัดอุดรธานีครับอุดร น, นะมีอะไร<อ>ไหมอ่าพอดีว่ารอจังหวัดจะถามพอดีท่านพระอาจารย์พั ก, กพอดีขอพรบคุณมากครับท่านพระอาจารย์ครับอ่าผมถามท่านพระอาจารย์ว่าตอนที่เราทําสมาธิอยู่ คือไม่ว่าจะเป็นนั่งหรือนอนหรือเดินสมาธิเสร็จแล้วเราเปลี่ยนอริยาบทเราเราสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราเมื่อยเอาไหมเราเมื่อยขึ้นมาอย่างนั่งสมาธิเราเมื่อยเราก็เปลี่ยนอริยาบทได้ใช่ไหมครับ<ด>แต่ว่ากลับไปเริ่มต้นใหม่นะฮะถ้าคุณไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่มันก็นั่งต่อไปมันจะเมื่อยก็ช่างหัวไปสมมุติว่าผมนั่งนั่งขัดสมาธิอยู่เสร็จแล้วผมปวด ปวดเมื่อยข า, อ ย, าอย่างมากก็<ม>คือผมต้องทนนั่งต่อใช่ไหมครับท่านพระอาจารย์ถ้าทนได้ก็ทนแต่อย่นั่งทนอย่านั่งด้วยมีสติอย่าไปสนใจกับอาการปวดให้มาให้มาสนใจกับคําบริกรรมแต่ถ้ามันปวดมากๆนี่บางทีหนึ่งลมไม่ได้ก็ต้องทาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเปบเนียครับผมถ้าเราอยากจะผ่านอาการเจ็บปวดเหล่านี้เพราะเราผ่านได้ถ้าเราทําใจให้เนียงปล่อวางความเจ็บปวดนี้ได้แลค่อย เราก็จะผ่านมันไดแล้วเราก็จะเฉยกับมันไม่เดือดร้อนกับมัน อ, อ๋อครับผมถ้าเราขยับแล้วผมดแล้วเราเลิกแล้วเราก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ที่หนึ่งน้ำหนึ่งใหม่ อ, อ๋อครับผมพอเดี๋ยวนั่งมาถึงเจอความเจ็บปวดหม่ก็ขยับอีกมันก็มันก็มาติดตรงนี้ะไปไหนต่อไม่ได้ครับผมถ้าอยากจะไปต่ออยากจะข้ามอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนรั้ ก, กันที่เราจะต้องปีนข้ามไม่ได้ ครับผมถ้าเราถอยหลังเราก็มือนจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ถ้าขยับเราก็กลับไปเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นว่าต้องใจให้ทำบริการเจ็บปวดยังไงก็อย่าไปสนใจมันเรื่องของร่างกายใจไม่ได้เจ็บปวดเสมอใจไปอยากให้มันหายมันเลยเครียดเท่านั้เอเราหยุดความเครียดของใจด้วยการบริการพูดโธ้พูดโธ้ไปเนี่ยว่ามันหยุดหยุดหยุดอยากให้อาการเจ็บปวดหายไปมันก็หายเครียดมัน มันก็เ น, นียมันก็นอยู่กับความเจ็บปวดได้ครับผมนะครับแต่ถ้านทนไม่ไหวที่ยิงใหม่ๆมันก็ก็ ต, ต้อง เ, อเริ่มในเวลาก็เริ่มไปฝึกสติมาให้มากๆขึ้นฝึกพโทพธโธพทโธนะพอถึงเวลาลองใช้พุโทโธพทโธก็รัรร้วมันเข้าไปเลยครับนะ <Yeah. S 2> ครับผมโอเคมีท่นนี่แหละขอบคุณครับเนี่ยเป็นที่เปิดตาขออะไรจ๊ะ สักดรีราชาัชกาลขันมสัส ก, การเจ้าค่ะมีรายงานเจ้าค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพูดถึงเรื่องน้ำบอลลมเจ้าค่ะแล้วก็พยายามทําค่ะก็ทําตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะวันที่ฟังทำแล้วก็ลองทําแต่ปรากฏว่ามันบอกว่าอ้าวป๊บซี่อ่ะมันยังมีอยู่ทานให้หมดหนูก็เลยอ า, อาทานแต่ก็ลืมนึกไปว่าเออทําไมเราไม่เททิ้งแต่พอพอหนูเคลียร์ขวดนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะหนูก็ไม่ทานได้เลยก็ไม่ได้รู้สึกอะไร แล้วก็มีวันหนึ่งหนูก็ไปซื้อขวดเล็กมาค่ะแต่ซื้อมาตั้งแล้วก็นั่งมองแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าเพื่อเพื่อดูว่าเราเราทำได้หรือเปล่าในแต่ละวันซึ่งนับถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องการอยากดื่มก็แต่คิดว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะแม่ชีเหม่ยวบอกว่าต้องระวังว่าถ้าวันหนึ่งเราเราไปมองขวดแป๊บซี่แล้วเราบอกว่า อาวันนี้ฉันแพ้ฉันฉันขอดื่มนะอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ากินเหล็กมันสามารถหลอดได้ตออเวลานั่นแหละถ้าไม่ไปมองมันได้ดีกว่าหมายว่าเดี๋ยวมัน อ, อไม่ได้คือที่จะมอง น, องนี่มองนีพนยาทิศาสาร ว, ว่าเราเร า, เราจะทำความยือยวยมันได้หรือเปล่าใช่แล้วค่ะ ก็ก็หนูก็มองดูแล้วหนูก็ก็หนูไม่กินอะไรเวลามันอยู่ที่จินกินไม่กินมากป่าจะมองไม่มองไม่สําคัญะผลเวลาข้อสาวมันอยู่ตรงที่เราในที่สุดเรากินมันเดือดมันหรือไม่เดือดมันไม่เดือดค่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งคือลูกสาวไปที่เรียนที่มหาลัยแป๊บหนึ่งเขาก็ติดโควิดหนูก็ตอนแรกหนูก็มองว่าหนูจะกังวลหรือเปล่าแต่ว่าพอ เ ห, เหมือนเมันเรามีสติในทุกๆครั้งอะค่ะพอพอเรารู้ว่าเขาติดเราก็แค่บอกว่าให้ทำหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็น่าจะกังวลค่ะตอนนี้ก็พอรู้แล้วก็เฉยๆก็แค่ติดตามอาการคุยกันวันละแค่ว่ามันไม่ถึงนาทีแล้วก็จบก็คิดว่า ม, มันเริ่มมันเริ่มจะน่ามีสติขึ้นบ้างแล้วอะค่ะก็ในครั้งต่อไปจะต้องเพิ่มเรื่องการนั่งสมาธิให้นานๆยอมรับสภาพความจริง นร่างกายเกิดแกเจ็บตายเป็ธรรมาดาพูดถึงเรื่องความเจ็บวันนี้หนูได้คุยกับพนักงานคนหนึ่งซึ่งเขาเจ็บป่วยมากซึ่งตอนแรกเขาไม่เขาไม่บอกเราจนเราเราต้องไปตามค่ะเพราะว่ามันมันต้องถึงเวลาที่เราต้องทำํทำทาเงินเดือนเขาก็บอกว่าไม่ให้บอกครอบครัวเขาแต่ว่าด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเพราะว่าเราก็ไม่รู้วอาการมันหนักแค่ไหนแต่ว่ามาทราบที่หลังว่าก็คือหนักมากมันก็เลยทําให้เรามองว่า ถ้าวันหนึ่งเราทำงานแล้ว เ, เรายังไม่ใส่ใจในเรื่องของการกันนั่งภาวนาถ้าวันหนึ่งถ้าทำไม่ได้แล้วมันจะเสียโอกาสมากๆนี่เอามาเตืนสติให้เราพยายามปฏิบัติพร้อมที่จะรับกับเหตุการณ์ต่างๆให้ได้ค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคแล้วถึง ค, คนตะวิจะเดล l สเท็กซัสอเมริกาหลายไปหลายทิศไหนนะม่อยู่ข้างนอก ก็ฟังอยู่ข้างนอกครับพอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหมก็วันนี้ไม่มีอะไรครับมากราบมนุษการครับก็ร้อนเหมือนกับทุกประเทศที่กาลังผ่านมาครับช่วงนี้ก็ปีอินเวีอยู่นะร้อยร้อยร้อยองศาอะไรร้อยร้อยร้อหกครับเมื่อวานนี้ก็เรียกว่าทอดไข่ได้ครับแต่เราก็เฉยๆครับเพราะว่ามันเป็นมันเกิด เราแก้อะไรไม่ได้แล้วก็ปฏิบัติธรรมของเราไปก็เป็นแค่สิ่งหนึ่งเข้ามาในชีวิตก็ผ่านไปเฉยๆไม่มีอะไร ต, ต้องรับกับเหตุการณ์น่าจะได้อยเรยนเอก็มันก็เป็นเหตุการณ์จริงนะมันไม่มันไม่ใช่ว่ามันมาอยู่กับเราทั้งปีทั้งชาติถ้ามันอยู่มันต้องอยู่ของมันถ้ามันไม่ไปก็ต้องอยู่ของมันเ ร, เ, รเราก็หลบเข้ามาอยู่ในบ้านมันก็หมดหมดปัญหาไป ถ้าเกิดไฟดับต่อไปทําไมครับในบ้านก็ร้อนอ่ะอบน้ำเลยอาบน้ำเลยแต่เราก็มีน้ําอาบนีอะไรกบมันก็ทุกอย่างมันมีของแก้ครับถ้าว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราไปยึดติดกับมันมันก็ไม่มีอะไรเลยเฉยๆธรรมดาควงว่างดีกว่าแบบมันไม่มันไม่มีอะไรแน่นอนอดแต่ว่าพระอาจารย์ฉีดยาเข็มสียังครับผมฉีดแล้วเมื่อต้นเดือนให้หมอเข้ามาฉีดให้เข็มอันนี้เป็นตัวใหม่ ครับครับอันนี้จีินจริงครับผมอันนี้ที่ดีดีครับดีครับตัวของของที่มองไทยตอนนี้เห็นว่าวันละห้าหมืนคนก็ยังน่ากลัวอยู่ว่าคิดก็จะกลับกันเป็นแล้วก็โอ้อมันวันละห้าหมื่นคนเราจะสู้ไหวหรออะไรอย่าเงี้ยแต่มันไม่ป่วยหนักนมันยังได้อยู่บ้านรักษากันได้ก็เลยเขาเลยเขาเลยไม่กังวลเพราะาต้องการให้เปิดประเทศให้มันเสร็จให้เกมนั้นนั้นเดินไปได้ ถ้าปิดแล้วว่าเดือนน้อนกันใหญ่ตอนนี้หมอกับโรงพยาบาลยังรับเคสได้เคสหนางๆยังไม่มากเกินกำลังของเขาฉนเห็นที่บ้านพี่น้องผมเสร็จหมดทั้งทั้งสองครอบครัวเลยหมดทุกหมดหมดทุกคนเลยครับทั้บ้านเลยติดหมดทุกคนหมดเลยเพราะส่วนใช้เวลาต้งคิดกว่าครับปัญหาส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไปติดจากโรงเรียนมาแล้วก็มากับมาปักที่บ้านครับ พวกผู้ใหญ่ก็เลยติดไปด้วยเขาก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งมาตอนนี้มันแย่อยู่ก็เลยบอกโอเคงั้นก็รอดูก่อนเข้ามาได้ไหถ้าคุณฉีดยามันก็ป้องกันได้เวลาไปไหนก็ใส่แมสท่านใ<ช><ๆ>ดเข้ครับราตอนนี้ก็ถ้าจะ ก, กรรมไทยก็คงต้องฉีดเข็มซีก่อนกลับครับเออแต่ว่าเราถ้าอยู่ที่นี่ผมจะไม่ฉีด mm hmm. ไม่มีอะไรครับกลับาทำรพ่อจาครับผมได้สาธุขอให้แขวงการปอไปยนะครับผมกลับมาแล้ครับคุณมาลีู่การมอุทธากาศกลับหลวงพ่อค่ะหลวง่าได้ยินหนูไหมครับก็ดีฝนตกหนังบาเได้ยินชาติเจได้เป็นไรพูดได้ตามสบายค่ะหลวพ่ครับหนูก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งเราปฏิบัต ชั่วโมงเยอะๆอะค่ะหลวงพ่อมันมันเข้าได้เร็วแล้วก็เข้าได้นานคือเราสามารถนั่งได้นานขึ้นนะคะหลวงพ่อยิ่งทํายิ่งทําเยอะอะค่ะนอนนอนนิดเดียวอย่างเงี้ยค่ะนอนสี่ห้าชั่วโมงแค่เนี้ค่ะใชแะะ่แล้วค่ะแล้วแล้วที่หนูหนูสงสัยแค่ตรงว่าเอ่อไอคันนิกะกับขับปนานเนี่ยแค่ไหนถึงถือว่าเป็นคันนิกะคะ มันน่<ล>าการนับเวลาเป็นนกกระจอบกินนะ้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ออกมาเลยท่านถ้า น, นับเวลานี้เป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะค ะ, เ ป, ะเป็นขนาดเป็นวินาทีม้าง อ, อ๋อค่ะและ้วทิ่อย่างอย่างพูดนั่งนั่งได้ประมาณสองชั่วโมงอย่างเนี้ยคะ่ะถือว่าเป็นหัปนาใช่ไหมคะหลวงพ่อคือมันนั่งแบบยาวไปเลยเี้ยใช่แต่มันอาจจะไม่สงบก็ได้สองชั่วโมง คือถ้าสมถ้าสมมติว่ามันเข้าได้แล้วมันก็คือนั่งแบบเ อ, อ ไ, ไม่ ถ, ถ้ามันถ้ามันเร็วกว่าวินาทีนี้ก็ถือว่าเป็นอัปปนาได้อ๋อค่ะหลวง่อสุดหลวงพว่อะช่วงเข้าพรรษาหนูหาที่ที่จะไปอยู่วัดน่ะไม่มีเลยค่ะหลงพ่อ ก, ก็วัดเต็มเต็มหมดเลยลเอาวัดเอาบ้านเราเป็นวัดแทน ก, ก็แล้วกันอะไรนะคะเอาบ้านเราเป็นวัดแทน ก, ก็แล้วกันอ๋อใช่ที่บ้าน ช่วงช่วงที่บ้านเป็นวัดก็อยู่หนูห้องมันมันต้องคอยดูแล ค, คอยเทคแ ค, คร์ครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือประเวณไปทำบุญอะไรเงี้ยค่ะมีพากันไปทำบุญทำทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันมันจะไม่เหมือนที่เราแบบอยู่อยู่แล้วปฏิบัติเองมันจะได้เยอะกว่าค่ะแ ล, แล้วแล้วหนูถามที่สาวเชีย์โนไป ป้าปุกก็บอกว่าเต็มแต่พอช่วงเมื่อสองของวันนี้หนูดีใจมากเลยป้าปุกเขาเรียมาบอกว่ามีคนไม่มาหนูก็เลยจะไปวันที่ยี่สิบแปดถึงสามสิบเอดเนี้ยคะ่ะเออด็ค่ะด้าอเสียงฟ้าร้องนะอะไรนะคะหลวงพ่อเส<อ>ียงฟ้ารองนะใช่ใช่ค่ะมันหนักมากเลยคะ่ะโอเคแต่วได้<ต>ยินเสียงชั้นดีได้ยินชั้นดี ค่ะหนูออยังปฏิบัติพยายามนึกถึงว่าเวลาผ่านไปมัวทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คือถ้ามีเวลาวันหยุดหลายวันเนี่ยพยายามจะหาที่ที่แบบเราสามารถไปอยู่คนเดียวได้อะไรเงี้ยค่ะจะพยายามทําให้เยอะๆค่ะหล่ปฏิบัติให้เยอะให้เปรี้ยวเมฆให้มากที่สุดใช่ค่ะเพราะว่ามีของมู้เหมือนเวลามันเหลือ น, น้อยลงไปแล้วอ่ะหลวงพ่อน้อยลงทุกวันอ่ะทุกวันผ่านไปก็ลบไปทีละวันทีละวันใช่ค่ะ แล้วแล้วบางทีสลวงพ่อเขไม่ทราบว่าอย่างนี้มันถือว่าเป็นปัญญาหรือเปล่าคะคือช่วงช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิอะค่ะแล้วบางครั้งมันก็จะมีเรื่องอะไรที่ทําให้เราทุกข์ใจเยอะแยะอย่างนี้ค่ะแต่มันจะมีแวบขึ้นมาหนึ่งแวบหนึ่งบอกว่าคนที่สิ่งที่ทําให้เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนมันคือจิต ของเราเองไปคิดเองไม่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดไปแล้วเราแก้ไขอะไรไม่ได้ก็พอคิดได้แบบนี้ค่ะหลวงพ่อมันมันตัดแล้วขิดมันก็สบายไปเลยค่ะสามารถอยู่<ต>อยู่ได้ใน่ยว่าปัญญาเ่ยรียกว่าปัญญาถ้าหลับความทุกข์ได้ก็เป็นปัญญาค่ะหลวงพ่อคือถ้าเราเจอเรื่องอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าสมมไปจมอยู่เนี่ยค่ะหลวข้อมันก็จะเครียดมันก็จะทําอะไรไม่ได้แต่พอพอเราคิดปุ๊บมันมีอะไรเข้ามามาบอกบอกว่า น, นี่ยไม่ต้องไปทุกแล้วเพราะว่าแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ยอมรับไปแล้วก็อยู่กับมันไปส้อระคจิตมันจิตมันสบายแล้วมันก็ไม่ไม่ถุกเห็นไหมนู่นเป็นอนัตตาไหมค่ะเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่เที่ยงแล้วเราก็คุมมันไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช<อ>่ถูก ต, ต้องเราไม่ะได้ไม่ทุก ถ้าเห็นว่าเป็นนัดจ้างเป็นนันาตาเราก็ปล่อยปล่อยอแล้วก็ไม่ทุกถ้าไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้เราพยายามจะไปควบคุมมันมันก็ทุกแสดงควบคุมไม่ได้ค่ะหลวงพ่อวันนี้หนูไม่มีคําถามแล้วค่ ะ, ะดีมาถุกทางแล้วยิ่งชอบปิดวิเวกเท่าไหร่แสดงว่ายิ่งยิ่งยิ่งใกล้แล้วนะค่ะหลวงพ่ อ, อหนูหนูรู้ตึก ด, ดีใจแล้วก็พยายามแล้วก็ เหมือนเหมือนว่าถ้ามีเวลาเนี่ยแบบมันอยากจะไปแนวเนี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอเราเรานั่งได้เยอะๆอะค่ะมันมีเวลาว่างนิดนึงอะจิแตแบบมันจะนึกถึงแล้วว่าเออเนี่ยเดี๋ยวขอขอนั่งหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อหรือว่าช่วงว่างเดินไปห้องน้ำไปทําอะไรเราก็จะพยายามมีสติให้มันตลอดเวลาเงี้ยค่ะแสดงว่าจิตเราเนี่ยฝากฝ่ายเรื่องธรรมว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมอ่างเยอะค่ะหลวงพ่ อ, อ, พอจน จนเขาบอกว่าไม่ไม่เหมือนเหมือนไม่ไปไหนเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ไปเรื่องเที่ยวอะค่ะแล้วก็่อคือมีเวลาก็จะไปหาที่แล้วก็ไปปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็แยกตัวเอไปที่ห้องในไปที่ห้องในเดียะที่ห้องในสนุกไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนมีอะไรมาบอกว่าเนี่ย คือมันเป็นหางที่มันมันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าที่เราไปเที่ยวค่ะหลวงพอยิ่งยิ่งเราปฏิบัติเยอะๆอะค่ะหลวงพ่อมันรถแข่งทำช น, น้ารถทั้งปวงรถแข่งทำชนะรถทั้งปวกใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อหนูไม่รู้จะพูดยังไงยิ่งยิ่งทําก็ยิ่งคือไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเห็นเหมือนหนูหรือเปล่านหนูก็ไม่รู้นะเ<อ>าขาไม่เห็นนะถ้าเขาไม่เคยปฏิบัติเขาไม่มีมันที่จะเห็นไนดะ้ ค่หลวงพ่องั้นอย่าไปอย่าไปสนใจความรู้สึกเรื่องที่ทำอะไรมันคน ะ, ะ ไ, ไปคนละไปคนละโลกถ้าไปโลกของสังสารวัฏเราไปโลกของของนิพพา น, นคนละโลกลค่ะนะโอเคนะปฏิบัติต่อไปนะค่ะหลวงพ่อกลับขอบคุณหลวงพ่อค่ะสาธุค่ะน อ, อนลงมาสี่ห้าสี่นอนลงมาสี่ที่ไหนเอ่ย นมัสการค่ะอยู่เซียร์เทิลค่ะเซียร์เทิลอเมาเมื่อเมื่อสาอาทิตย์ก่อนได้ไปใส่บาตรแล้วก็ตามไปที่ที่วัดอ่ะจำได้จำได้นะแล้วผ้าจันหลวงพ่อบอกว่าให้ไปหาพระฝรั่งสายหลวงปู่ชาเจอไหมเจอคือ อ่าพอกลับมาถึงอเมริกาเลยแล้วก็หนูก็ได้ไปกราบหลวงพ่อที่วัดที่เนียค่ะแล้วท่านก็บอกว่าวันอังคารจะมีอพระฝรั่งสายหลวงปู่ชามาซึ่งก็คือปานก็เลยได้ได้เจอท่านค่ะได้เจอแล้วไม่ต้องไปหาวัดถึงท่านนะค่ะท่านทตอนที่ตอนนี้รู้อีกท่านว่าท่านอยู่ที่ไหนค่ะท่านอยู่ที่เกาะแล้วก็ท่านจะมา เดินบาททุกจันถึงสุกหนูก็เลยคิดว่าจะจะไปใส่บาทท่านค่ะ่ก็เข้ามาในซูมนี้ครั้งแรกค่ะก็ขอบคุณคคยินดีท่านครับสาธุค่ะตันนี้ที่เสียต้องผมไม่ร้อนเหมือนที่นไม่ร้อนนะก็แปดสิบสามก็ร้อนสัหรับ<ำ> ร้อนสำหรับคนเซียเทินแต่ถ้าเทียบกับที่เท็กซัสเขาอาจจะบอกว่าไม่ร้อ น, อ น, นัีโอเคงั้ก็จะไปวัดอย่างน้อยทุกทุกที่จะไปใส่บาตรกันใช่ไหมก็ <c oughs> ค่ะคือท่านท่านยังไม่มีวัดของท่านเองท่านพ ย, พยายามหาที่สร้างวัดอยู่ <c oughs> ท่านก็คือ ล้วถ้านมาเป็นทบาทที่ไหนมาเป็นทบาทที่วัดที่ที่ตลาดค่ะมันจะมีตลาดปลาชื่อไพรมาร์เก็ตอยู่ในเมืองอก็คือท่านก็รออยู่แถวนั้นนะคะทุกวันแล้วมีญาติโยมไปใส่ไหนหรือเปล่าก็คิดว่ามีค่ะหนูยังไม่เคยไปก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยจะลองลองไปดูค่ะก็จะไปช่วยพยายามไปให้ให้ให้ทุกอาทิตย์อะ ท่านเคยท่านเค ย, เคยชวนเราสนทนากันผ่านทางยูทูบอยู่ครั้ง่งครัโอเคมีอะไรไหมยังไม่มีค่ะมาฟังคนอื่นก่อนค่ะเพราะครั้งแรกก็เลยว่าขอฟังอ่าได้จุ่วันพูดเชิญเข้ามาได้นะถ้าอยากมาเข้ามาสาธุค่ะไปที่คุณหมอสุทธาเสนจากประทุมทา น, นี วันนี้ลูไม่มีคําถามเจ้าค่ะไปเป็นปคนสุพัฒนาบอวินชมวิญญาณกับกรรมแมา ส, สการพระอาจารย์เจ้ค่ะวันนี้ขออนุญาตถามพระอาจารย์เรื่องการปล่อยวางขันห้าเจ้าค่ะพระอาจารย์กับร่างใจงกับเวทนาคือครับจิตความความทุกขเวทนาปล่อยวา่างองตัวนี้ ร่างกายแจ็บก็ปั่นมันเจ็บไปแล้วห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้หันอยู่กับมันไปก็ร่างกายตายก็ก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปั่นมันตายไปนั้นเนีอยขันห้าก็มีแค่นี้ของตัวถ้าถ้าอย่างที่โยมฟังผ้าจาย์มาอยู่สองสามวันช่วงที่วันหยุดเนี่ยเออก็คือเรามองว่ามันมันบังคับบัญชาไม่ได้มองให้เป็นไตรลักษ แล้วเราก็ปล่อยวางด้วยอุเบกขาอันนี้ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะมันมีข้อสงสัยมาว่ามันไม่มีใครห้ามมันได้มันจะตายมันจะเจ็บก็ไม่มีใครห้ามมันได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่เราไม่ต้องไุกข์กัตมเราไม่ต้องไปทุกกับมันถ้าเรายอมยามให้มันเจ็บยอมให้มันตายเจ้าค่ะแต่ก็ไม่ใช่มาเพราะว่าเราจะไม่ดูแลรักษาแล้วก็ดูแลแต่เท่าที่เราจะดูแลได้ แลค่ะแต่ถ้ามันสุดวิสัยแก็ต้อายอมก็ต้องปล่อยเจ้วค่ะสาธุเจ้าค่ะอาจารย์บาเวลาพันตอนนี้อยู่พิษณุโลกป่ะคุณหมอถามพระอาจารย์พระอาจารย์ครับอยู่พิษณุโลกครับอาจารย์นะยังไงมีอะไรไหมก็ยังภาวนาอยู่ทุกวันครับอาจารย์ครับจิตใจก็สงบดีขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับไในทาสมาธิทุกวันนะทุกวันครับอาจารย์ครับ ชเช้าตอนที่เปิด น, นะใช่ครับก็เดี็กนี้ก<ม>็ก่อนตีห้านิดหน่อยนะครับอาจารย์ตื่นเช้ามาเดินหน่อยนะแล้ววันที่หมอไม่ทํางานเราไปทําอะไรนะแล้ว่ามีภา ร, รกิจอยังไงนะอ๋อก็จะมีภา ร, รกิจก็คือส่สสสงรับส่งลูกครับอาจารย์อ๋อแค่นั้นนะแล้วก็ครับแล้วก็จะอ่านหนังสือแล้วก็ว่างๆครับอาจารย์ครับก็มีเวลาปฏิบัติหน้ช่วงวันที่ไม่ไม่มีงานครับใช่ครับอาจารย์ครับ อนนี้ก็ว่างสี่วันครับอาจารย์ครับแต่ในแต่ประวันว่ามันก็จะมีกิบตู่กิบนี้แทรกมาเป็นกิบจอนครับมันก็ยังไม่เต็มร้อยต้องต้องวางแผนจัด ก, การเวลาคจัดตารางไว้ว่าเวลานี้จะทําทำให้นีเวลาแยกกัน <c oughs> อย่าให้มันเข้ามาแทรกอันนที่เป็นเวลาปฏิบัติก็ต้องให้มันเป็นปฏิบัติไป เวลเป็นเรื่องจริงก็รอให้มันรอคิวไว้โอก็พยายามคําอย่างนั้นครับอาจารย์ครับก็รู้สึกรู้สึกช่วงนี้ก็เวลาเดินเวลาอะไรก็จะมีสติอยู่กับเท้าเดินเกือบตลอดเวลาครับอาจารย์เออนี่ช่วงเดินนี้จะเห็นชัดมากครับอาจารย์อย่าให้ใจไปที่อื่นให้ใจอยู่ในปัจจุบันครับไม่ให้คิดตุ่มแตกให้รู้เฉยเฉช่วงนั้นตอนเช้านี้ก็จะ สงบบ้างไม่สงบบ้างแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าสบายๆครับอาจารย์ครับวันนี้ไม่รีบคำถามไม่รีบคำถามนะไว้เรามารทีค่อยถามครับผมเดี๋ยวกลับทักอยู่แล้วครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับคนนี้จากศรีราชาคนนี้กลับนามัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะแค่มารายงานว่าคราวที่แล้วได้แนะนำว่าให้นอนบนฮัลโหลห้ยิงใช่ไหมเ้าค่ะคราวที่แล้วบอกว่าตอนแรกหนูบอกหนูนอนเบาหนาหนาแบบนี้ตอนนี้ก็เหลือนิดเดียวค่ะอาจารย์ก็หน่เสนก็นอนได้ยงนไม่เหนือค่ะค่ะ์ที่แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะปฏิบัติค่ะ รู้สึกมันมันมีความสุขแล้วมันเหมือนเชลเลนต์ตัวเองว่าลองดูซิจะทําได้ไหมกินจุกกินจิงให้หยุดสักอะไรเงี้ยค่ะหลังบ่ายโมงจะให้มันกินเป็นมื้อๆไปนะจ๊ะค่ะมีความสุขดีค่ะอาจารย์แล้วก็เเอปล่อยวางหลายๆเรื่องนะจ๊ะค่ะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับคําสอนค่ะค่ะกดาวสาธุก็ค่ะดาว เป็นุณสุภตาจากเดลัสเท็กซัสหมือนกันร้อนไหมตอนนี้กราบธรรมศารพระการผู้อาจุโค่ะร้อนรนเจ้า ค, ค่ะประมาณเกือบ45องศาเจ้าค่ะเม<ด>ื่อวานแล้วก็วันนี้คงประมาณนี้อ่ไรบ้างในเครื่องปรับอากาศอย่นี้เเจ้าค่ะก็เปิดบางนะคะตอนนี้ค่าไฟขึ้นแพงมากเขาบอกขึ้นเกือบ70เปอร์เซ็นต์เลยเจ้าค่ะประหยัววดไฟประหยัดไฟ เจ้าค่ะอยู่อยู่กันสองคนสามีภรรยาก็ค่อนข้างจะเป็นคนประหยัดอะไ ม, ไม่ไม่อะไรมากนะคะนะคะวันนี้ลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะคุณพ่อก็ไม่มีเจ้าค่ะยังดูตัวสังขารอยูอ่แบบเดี๋ยวเจ้าค่ะเอ๋มันวิ่งไปวิ่งมาก็ก็ก็บริกรรมตลอด่เจ้าค่ะก็บริกรรมตลอดอย่าให้มันไปปรุงแต่ง เ, เป็นเรื่องเป็นเล่า <c oughs> ใช่ไหม ก็เห็นมันเห็นการปรุงแต่งของมันก็เริ่มเบื่อไปไปเรื่อยๆเจ้าค่ะเริ mm ่อ hmm. ว่ามันไร้สาระไปเรื่อยๆเจ้าค่ะแต่ว่ามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงเพราะว่าพอดีพี่สาวมีปัญหาแล้วก็โทรมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ mm hmm. ก็คือลูกไม่เข้าใจว่าพอเราให้คําแนะนําเขาไปอย่างเงี้ย mm hmm. เขาเขามีความสุขกับการที่เราให้คาแนะนําเขาแต่เรากลับกลายเป็นว่าเราไม่หลุดออกจาก คำที่ให้คําแนะนํามาเจ้าค่ะมันยังตามมาทําให้เรายังฟุ้งกับกับสิ่งที่เราเราไม่มีสถียรมันเราไม่มีเสถียรมันเจ้าค่ะก็เลยนกำลังผ่านแล้วพูดเสร็จแล้วก็จบนะมันยังคิดต่อเจ้าค่ะคิดที่จะจะช่วยเขาต่ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเ้ะออืืมจาค่ ก็เลยก็เลยก็เลยแบบว่าพยายามแบบบริกรรมทีทีทีทขึ้นนะคะก็เลยเข้าใจที่พระอาจารย์สอนว่าแบบคือถ้ายังไม่พร้อมยังไม่อยากคุยหรือแนะนําอะไรใครอะเจ้าค่ะเพราะแนะนําอะไรใครมันกลับกลายเป็นว่าเราเราเองใช่เจ้าค่ะเราเองนั่นแหละที่ที่เหมือนกันได้โทษตัวนั้นแล้วมันก็ฟุ้งนะเจ้าค่ะก็เลยเลยเข้าใจว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้ายังไม่ไอ้นั่นอย่าไปสอนอย่าไปคุยอะไรกับใครอะเจ้าค่ะ <Okay. S 2> เพราะว่าเวลาเราคุยแล้วมันก็จะคิดลองมาคิดต่ อ, ต อ, ตอเองเจ้า mm hmm. ค่ะมันเป็นโทษมันไม่สงบเจ้าค่ะมันไม่สงบเพราะความที่เราคิดต่อเจ้าค่ะอ mm hmm. ูก็เลยมาคิดได้แล้วว่าโอ้ทําไมพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปสอน mm hmm. อย่าไปแนะนําใครอย่าไปอะไรให้เรา <laughs> บางทีแก้งโงดีกว่าเพรไม่ร <laughs> ู้นี่เจ้าค่ะ จะได้ไม่ฟุ้งต่อมันเป็นโทษ ร, รู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊กมันเป็นโทษจริงๆแล้วค่ะมันไม่สงบนะคะแต่ไม่เป็นไรลูกก็จะจะจะจ ะ, จะต่อไปแล้วค่ะปฏิบัติตอนได้พยายามไปพยายามตัดมันนะหยุดมันพอพูดเสร็จแล้วก็จบนะมันผ่านแล้ ว, ลวไม่ต้องมาคิดต่อเจ้าค่ะอยากเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะแต่มันยากไม่รู้สึกว่ามันยาก มันไปต่อแล้วมันก็ฟุง้งมันอยากโอ้นั่นเดี๋ยวเราเป็นแม่ตรงนี้ต่อไปงั้มันจะเหมืนทีนี้ตอนนี้ก็มาเจ้าคะ่ะก็เลยแบบดูว่าอ๋อมันเป็นสังขารที่เราก็อยากจะต่อไปเองอะไรเงี้ยเจ้าคะ่ะแต่สติเรายังไม่ทันมันยังหยุดมนะันไม่ได้ใช่ลูกเป็นคนที่สติอ่อนมากตอนตอนทํางานตอนเรียนนึกว่าเป็นคนมีสติที่ดี ท, ที่ที่ค่อนข้างดีแต่พอมาฝึกแล้วถึงรู้ว่าจริงๆเราเป็นคนสติอ่อนมาก ลูกใช้เวลาหลายปีแล้วค่ะแต่ยังรู้สึกว่าสติเรายังไม่ยังยังต้องพัฒนาอีกเยอะยังไม่ทันยิฐยังไม่ทันสังขารยังไม่ทันยเลยใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะไม่มีอะไรการมาทำไปด้วยอย่างรู้ว่ารู้ว่าปัญหาอยู่ตงไหนก็ดีจะได้แก้ไขต่อไปได้ได้ค่ะกขอบคุณค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุนะพระที่คุณตายพัทยาเชียงคุณตาย น้อมกต์วัฒน์กา ร, การ์คระบพระอาจารย์มีอะไรไหวันนี้วันนี้ไม่มีอะไรครับพระอาจารย์เข้ามาฟังแล้วก็มานั่งวิญญาณเรียบร้อยสงบดีไม่มี <c oughs> อะไรมาท้าท้าทยให้ทําข้อสอบเนีลยอะวันอาทิตย์นี้ยังไม่มีคะ่ะแต่ก็มันจะมีอยู่เรื่องเดียวพระอาจารย์หนติดมือถืออะค่ะ <c oughs> ชอบไปดู <c oughs> ด, ดูนู่นดูนี่ทําให้แบบท <c oughs> ําให้มันไปทางเราเยอะ ไม่ลองเปลี่ยนมันไม่ได้เป็นมันทายลิงชักแหวนเปลี่ยนบางสันชักใส่กุญแจมันยิบยากยากแม่ชีก็แนะนําเหมือนกันว่าเอาให้เอาไปซ่อนอ่ามันหาที่ยากยากเลยแก้ไม่ได้เลยพระอาจารย์อได้ใช่ทุนเฉยว่าไม่มีมันแล้วเราเราจะตายหรือเปล่ามันก็ชอบเอาว่าเอาไว้ทํางานแล้วก็พอไม่มีงานก็ เขียยไปทางอื่นวันนี้นั้น เ, <อ>เนี่ยคะ่ะในสายจะพยายามท<ำ>ําตรงเนี้<อ>ค่ะทำงานก็ต้องก็ต้องเอาแต่งานอย่ า, อ ย, าอย่าไปใล้เท่าไหร่ค่ะก็มีอยู่เรื่องเดียวคะ่ะเรื่องใหม่มาก็เรื่องนี้แหละคะ่ะที่จะแก้แก้ปัญหาตัวเองไม่ตกว่าจะทำยังไงกับตัวเองดีว่าไม่ให้ติดมือถือไม่ให้เล่นเอาวางไว้ในที่มันหยิบยากๆใช่ในะลิ้นชักใส่กุญแจไว้อย่างนี้ <laughs> แล้วก็คุณจะวางไว้กไกลๆหน่อยมันเรื่อมลาบากหนยค่ะผ้าชันจะพยะยาวแล้วเอาเวลาจะใช้ใช้จะใช้ชาวลาลังงานจริงๆค่ะเอาปุณจใจไปไว้ใ้นวนชั้นบนมือเวลาจะใช้ก็ลำดิน้นไปชั้นบนยิบคุณนาจลงมาขี้เกียจจะไม่ต้องไม่ต้องดูใช่ไหมคะถ้ามันง่ายมันงาน่ายๆมันก็อดไม่ได้ใช มีตัวเนี้ยค่ะที่มันแก้ยากแล้วก็ชอบไปดูไลฟ์สดแล้วก็ไปซื้อของเขาบ <c oughs> ุษบาไม่มีตังค์นะอาจารย์แต่ว่ายซื้อหน่อยหน่าอะไรเงี้ยก็หมดตังค์แต่กับเขาเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> ไปหลงเสียงคนขายคนอื่นโอเคพยายามใช่เหตุผลว่าถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้เราจะตายไหมถ้าเราไม่มีมันเราจะตายไหม ถ้าไม่ตายก็ไม่จําเป็นก็อย่าไปไม่ต้อง ไ, ไปเอามาเอาของที่จำเป็นจริงๆค่ะอันนี้นก็พยายามพยายามสุดๆอันนี้ก็ตั้งใจไว้เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ตั้งตั้งไว้ตั้งไว้แล้วก็ล้มอีกตั้งไว้แล้วก็ล้มอีกอเดี๋ยววันสานี้ก็ว่าจะพยายามให้มากๆแล้วก็จะเข้าไปฟังพระอาจารย์ที่น่ากุติในวันพระจะพยายามทําให้ได้คะ่ะโอเคคดีวันได้แล้วนะ ค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้วันพาระค่ะ <Okay. S 2> ค่ะน้อ ง, องกราบนรัสการ์ค่ะแล้วก็คนกระดกขวัญเจอกระดกขวัญอยู่ที่ไห น, นกราบนรัสการพระอาจารย์ก็ค่ะโอตอนนี้อยู่กรุงเทพค่ะเขาที่แล้วที่ที่ได้มากาบพระอาจารย์ในครั้งนี้เป็นครั้งที่สามค่ ะ, ะไม่มีคําถามค่ะไม่มีคาถามนะโอเค ไปที่คุณกายพิษต่อกายพชษเชนอันนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วอย่างยังอยู่อเมริกาพอกลับมาเมืองไทยนะครับอาจารย์ครับก็ช่วงเข้าพรรษาก็พยายามถือสิลแปดทุกวันครับอาจารย์แล้วก็ใส่บาต ท, ทุกวันเ อ, อนั่งสมาธิตอนเช้าทุกวันครับก็ อ, อตอนนี้นั่งเนี่ยมันก็เข้า เราสมาธิได้ได้ง่ายขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วก็ mm hmm. รู้สึกเหมือนเหมือนเ ว, เวลาเวลานั่งช่วงนี้ครับเ อ, อจิตมันก็จะสักเว็ บ, บหนึ่งก็จะคิดไปแล้วก็เราเวลาเราพุโทโธมันก็กลับมาแล้วพอเวลาพุโทโธพุโทโธมันเหมือนพลังมันชาร์จแบบมันมันมันมันเป็นแบบเหมือนเหมือนชาร์จพลังประมาณอย่างเงี้ยครับอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ mm hmm. เนการยันชัตเติอ๋อครับครับแต่ว่าก็ก็มันมันก็เข้าความสงบแล้วก็ค่อยๆมีความสุขมากขึ้นอะไรอย่างนี้ยครับอาจารย์ครับได้ดีก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเอี่ารีบร้อนอย่าใจใจอย่างๆครับครับก็ก็เออเวลาทําก็ไม่ได้มีความโลภอะไร<ม>ก็นึกถึงว่าเออเราปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาถวายพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงเมตตาต่อพวกเราอะไรอย่างนี้ยครับอาจารย์ นี่โอเคนะมีอะไรไหมครับไม่ไม่มีอะไรแล้วครับอาจารย์ครับกลับนรัสการครับไอที่คุณแอมแอมนันธนลนันธมนนันมนน์แอมนันมน์ไปตามคุณแม่ามาแล้วน่าเชิญคุณแอมพูนได้เลยังต้องเปิดใหม่นรันสการค่ะพระอาจารย์ พอดีลูกสาวอะค่ะน้องแอมสิบขวบอะค่ะเม่อกี้น้องเขาอยากถามนั่งทําการบ้านแล้วฟังพระอาจารย์ไปด้วยอะค่ะทีแนีน้องน้องบอกว่าคือคุณแม่ให้น้องฝึกนั่งสมาธิอ่ะค่ะทีแนะน้องนั่งแล้วน้องบอกว่าน้องภาวนาพุทโธแล้วน้องน้องไม่นิ่งน้องบอกว่าหนูนั่งไม่ได้ค่ะหรือว่าขอสวดมนต์ในใจได้ไหมคือคุณแม่ก็ไม่ไม่แน่ใจว่าได้ไม่ได้วนชวนมันไปก่อนไม่ได้ชวนมันไปก่อนค่ะ สวดไปจะนัางรู้สึกว่านั่งดูวมต่อได้ก็นั่งดูวมต่อไปก็ได้หรือพูดโทรต่อไปก็ได้ค่ะคือน้องน้องบอกว่าน้องสวดบทอย่างน้องนั่งสมาธิแล้วน้องภาวนาแต่น้องบอกน้องสวดอิติปิโสที่น้องจําได้ค่ะน้องท่องอิติปิโสคนไปเรื่อยๆอย่างนี้ยค่ะได้ได้ไดไม่เป็นไรใช่ได้แล้วอีกวิธีหนึ่งของการสวกสมาธิอ๋อค่ะน้องเขินค่ะข่าวจันก็ ไม่มีอะไรค่ะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกค่ะค่ะอาจารย์แต่ต้อสวยไปไดีๆนะอย่าเพิ่งสวยแค่รอบสองรอบแล้วก็หยุดสวยไปนานๆค่ ะ, <ๆ>คะน้องนั่งสมาธิได้ไ ด, ได้นานนั่งนั่งของคุณแม่ค่ะแต่พอดีถ้าทานั่งด้วยกันแล้วแบบบางทีแม่แม่นั่งได้นานกว่าถ้าน้องแบบเหมือ น, นเราพาเขานั่งแล้วถ้าเขาแบบไม่ไม่ไหวอ่ะค่ะเขาก็เขาก็จะสกิดอะค่ะด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ก็<ๆ>ไม่เป็นไรดี พาเขอนั่งเล้วก็แล้วแต่กำลังเองเขานั่งได้เท่าไหร่ค่ะท่านั้นนักไม่ต้องไปคำนอณนะดีกว่าไม่ได้นั่งเลยค่ะคุแม่ก็พาเขาฝึกเช้ามาก็ใส่บาททุกวันค่ะที่หน้าบ้านถ้ามีโอกาส ก, าก็ไปใส่ที่บ้านอำเภอค่ะเพราะว่าทางทางที่บ้านก็อยู่สัาหีค่ะอาจารย์โอเคมีเท่านี้เหรอมีเท่านี้ค่ะโอเคนะครับทุ ก, ก, รการราค่ะอาจาคจอยพทัทยา ยอ้เสียงค่อยลอามาใกล้ๆนะ่อนยะได้ยินเสียงไหได้ยินไหมได้ยินน่ะนิดหน่อยยังเบาอยู่อันไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าันไปใส่บอกรอนแล้วอ่าวันเกิดแฟนใช่ไหมใช่ค่ะด้วเสีย ง, งนี้น เ, เข้ามาทาบุญบ่อยขึ้นนะใช่คะเขาก็ดีใจที่เขาได้ไปค่ะอ่านี่ชวยกันมาเยอะๆนะชวยกันดังกันนะค่ะเด ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรค่ะโ okay. อเคเนี่ยไปที่คุณคนณเนตต่อคนณเนตอยู่ที่ไหนคนนุณเนตกลับกลับนมัส ก, กา ร, ราค่ะอาจารย์ค่ะอย่าได้นค่ะอยู่ประทุมธานีค่ะพระอาจารย์คะ่ะมีอะไรไหมค่ะไม่มีค่ะจริงๆกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะได้มีโอกาสติดตาม คำสอนของพระอาจารย์มาโดยตลอดค่ะจากผ่านเฟซบ้างเพจบ้างแล้วก็ต่างๆก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ให้พัฒนาตัวเองทางด้านจิตให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าตัวเองเป็นคนทำงานมากตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนันแล้วก็เพิ่งจะพยายามผันตัวเองมาเป็นพาร์ทไทม์แล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาเจริญสติทุกๆวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็ อ๋อศึกษาพระธรรมแล้วก็หลักหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะก็จากพระอาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ ะ, ะสาธุน ะ, ะเดี๋ยวขอถามมือแอดมินหน่อยคุณบอยรู้สึกเฟซบุ๊กมันมันหยุดไปนะไม่ท<ป>ราบครับพอดีทางทางบ้านสปันาที่กรุงเทพไฟดับนะครับตอนตอน น, อ น, นี้ตอนนี้ผมผมดึงมาทําทางนี้นะฮะดึงบิงมาทางทางที่บ้านผมทำนะฮะแล้วคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่เฟซตอนเี้ดูดูได้ไหม ดูได้ครับตอนนี้ต้องต้องต้องปิดเฟซเฟซเก่าก่อนนะแล้วก็ไปเปิดเฟซใหม่ครับตอนตอนนี้มีเข้ามาละเก้าสิบสี่คนครับสังเกตดูว่าเย่ยมันมันนิ่งไปครับครับตอนตอนนี้กลับมาแล้วครับอาจารย์โอเคพูดแล้เผื่อคนที่ฟังจะได้รู้ว่ามีปัญหาร้อยสองนะครับโอเคในี่ยตที่ท่านต่อไปคือคนสายทิพตอาจารย์สายทิพตจะ ขอนแก่นหรืสารคามกลับมาราการพระอาจารย์ต้องค่ะวันนี้อยู่ขันแก่นค่ะค่ะเมื่อกี้พึ่งพาหลานไปโรงพยาบาลมาค่ะพระอาจารย์เป็นโควิด ไ, ไหมกันนะไม่ค่ะเขาเหมือนติดเชื้อที่ผิวหนังค่ะพระอาจารย์ดูเป็นตุ่มน้ําแปลกๆ ก, ก, ก็เลยพาไปหาคุณหม อ, อมแต่ตอนนี้ก็เลยปล่อยไว้ที่โรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวให้คุณพ่อเขาไปดูแลค่ะก็เลยกลับมาก่อนเสือกพวกนี้ต้องไปทํางานค่ะพระอาจารย์ มีอะไรไหมวันนี้ก็มีถือสินแปดแต่ว่าไม่ได้ถือสองวันค่ะพระอาจารย์ไม่สบายมีข้ออ้างคือไม่สบายก็เลยกินข้าวเพราะว่าเหมือนจะเป็นไมเกรนแล้วจะอาเจียนเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เลยกินไว้ก่อนค่ะแล้วก็นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ตอนนีเ้เวลาที่เข้าสมาธิมันเข้าเบาๆค่ะพระอาจารย์เหมือนแค่เปลี่ยนแบบลุกนิดเดียวค่ะแล้วเราก็ เอ่อรักษาเราควรจะรักษาอารมณ์มันไปเรื่อยๆไหมคะพรอาจารย์อย่างเช่นเหมือนมันมันลงชั้นแรกค่ะแล้วก็ประคอมันไปเรื่อยๆใช่ก็พยายามมันนิ่งๆเฉยๆไปเรื่อยๆค่ะเหมือนแบบเหมือนแล้วก็ปรับเหมือนมันอยู่สามารถอยู่ในภาวะนั้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วพอจะเปลี่ยนอีกมันจะไปมันจะลงมือนแบบแค่บึ๊บแค่เนี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนเหมือนมันเหมือนมันรู้ว่ามันมันปรับไปอีกชั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะลงไปทีละขั้นทีละขั้นค่ะ แต่ว่าอยู่ถึงแค่ขั้นที่สองค่ะพระอาจารย์โอเคดีกค่ะไม่ได้เข้าเลยเข้าแม้เท่าไหรเข้าเท่านั้นก่อนอือค่ะแล้วก็ตอนนี้เวลาที่เดินตรงกรมค่ะพระอาจารย์ก็คือจะเดินเดินเหมือนใช้ปัญญาเลยค่ะพระอาจารย์ก็คือพิจารณาเริ่มต้นจากเห็นตัวเองตอนที่แบบเหมือนเป็นทอดออกมาตัวแดงๆอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไล่ัวมาเรื่อยๆ แล้วก็เหมือนแบบเวลาที่เรารู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยมีสมาธิเราก็พยายามพิจารณาร่างกายแล้วดึงดึงเหมือนแบบทําตัวเหมือนดึงแขนตัวเองออกมาข้างนอกแขนนึงเนี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ค่อยๆเอาหนังออกเอาเนื้อออกแล้วพิจารณากระดูกแล้วก็ดูถึงข้างในว่ากระดูกมันแบบเป็นแบบเหมือนประกอบไปด้วยอะไรเนี้ยค่ะเพื่อลดอความความยึดถือตัวเองแล้วก็ยึดถือร่างกายของคนที่เรารักอย่างพ่อแม่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แต่เพราะว่าใจมันมันมันน่าจะแบบไม่ไม่กลัวคำว่าพัดคลากรนะค่ะพรอาจารย์ตอนนี้ก็เลยพยายามมองให้เป็นอ่าเหมือนท่าท่าสี่อะไรเงี้ยค่ะท่าสี่มันก็แต่เดี๋ยวมันก็มันก็ต้องสลายตัวไปค่ะเหมือนพอพอพอพี่าจถึงตอนนี้แล้วใจใจมันค่อยค่อยสงบลงความความรู้สึกโวงโวยมันก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ค่ะดี แต่ประมาณนี้ค่ะพระาอาจารย์ยังยังยังทงทรงอยู่แถวนนนาานเนี้ค่ะพระอาจารย์พยายามพิจารณาธาตุธาตุอยู่เรื่อยให้มันจะท้งยอมรับได้เพราเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติธาตุสีน้นนำลมไฟเราไปตั้งชื่อมันเองว่าเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นพ่อเรามันยดําเนินแค่ธาตุสีน้นนำลมไฟเท่านั้นค่ะเหมือนเหมือนเราเองเราก็ ก็ตัวเราเป็นเราเพราะว่ามันรวมกันแล้วมันเป็นเราพอดึงออกไปทีละอันทีละอันไม่มันไม่มีอะไรเงี้ยค่ะไม่มีมีแต่การมีแต่มีแต่อาการ312ค่ะที่พิจารณายอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันจะลดอัดตามตัวตนในร่างกายนะค่ะต่อไปก็จะไม่เห็นว่ามีตัวตนในร่างกา ย, ยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าถ้าหนูเดินจนปงกรมปุ๊บหนูก็พิจารณาเลยค่ะไม่ได้ พูดโทไปป้าเบียร์แล้วก็มันก็ก็คิดเลยค่ะพระอาจารย์แบบนี้ได้ใช่ไหมได้ถ้อยู่ในอยู่ในร่างกายคุณชนะแล้วน่างกายค่ะแล้วก็จะไล่พี่นาตั้งแต่แบบเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทําให้เห็นถึงความกระตันยูด้วยค่ะพระอาจารย์เห็นตอนเด็กๆแล้วก็คิดถึงคุณแม่คุณน้าที่ดูแลเรามาดูแลเราเลี้ยดูเราใช่ค่ะแล้วท่านเสียไปแล้วแล้วก็เอ๊ะเราทำคุณให้ท่านรับหรือยังอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็คิดถึงอย่างคุณพ่อยังยังยังอยู่ในปัจจุบันเราดูแลท่านหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะทําให้ได้ได้คิดตรงนี้ด้วยค่ะพระอาจารย์ดีมากดีมากจะพยายามทําต่อไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ค่ะค่ะอ่านนี้ก่อนนะสาธุ ค, ค่ะไหนที่คุณสามเล่นต่อคุณสามเล่นอยู่ที่ไหน<า>นับพูดได้เลยปพอดีแล้วนะ ครับสวัสดีครับนรัตการกพาจารยร์ออยู่ที่ไหนอยู่นนทบุรีครับนนทบุรีมีอะไรไหมใช่ครับก็มีครับผมผมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยครับผมเหมือนเหมือนกับแบบผมจะประมาณแบบว่าติดสุกแบบสุกสุกจากสมาธิอย่างเงี้ยเออไม่เป็นไรจะแบบไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะแบบว่าอยากไปเจอโลกภายนอกอ่ะครับเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตมันวุ่นวายเงี้ยครับชีวการทํางานเงี้ยครับจะเจอจะเจอบทพวกแบบ อมีใครอยากจะเข้ากองไฟบ้างไม่มีหรอกใช่ไหมอะไรนะครับไม่มีใครอยากจะเข้ากองไฟหรอกใช่ครับ <ผม S 1> ชีวิตของเราที<ร>า่ชีวิตเขาเเราวันเหมือนกองไฟแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อหร่เราจะออกมาพอเราออกจากกองไฟมาอยู่ที่สมาธิล้วมันเริเริเรู้สึกแล้วว่าออมันอยู่ในกองไฟมาตลอดเวลาผมก็เลยเหมือนจะประมาณแบบว่าทรงอารมณ์ไว้ทั้งวันเลยครับทรงอารมณ์ที่กับติ ให้มั น, งนสงนให้มันนิ่งแต่ถ้าจําเป็นจะต้องไปสัมผัสรับรู้ ก, กับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนีงน้นนก็ก็ต้องทับใจครับก็ทุกวันนี้ผมก็สองปีแล้วครับผมเลี่ยงออกมาอยู่แบบว่าเลี่ยงเลี่ยงมาอยู่แบบอยู่มาอยู่คนเดียวครัเหมือนมัน ม, มันก็แบบจิตเราเป็นเหมือนเหมือนไปรับรู้เรื่องอารมณ์ของคนอื่นแล้วมันคนไม่ไหวมันต้องหนีออกมาแต่ยังไม่ยเป็ังให้มันเป็นขั้นพิภาวะตัณหาอะไรต่าคือเขาไม่อยากจะ S <S ไอยจะเจออะไรเลยครับถ้าจำเป็นจะต้องเจอก็เจอเช่นเราต้องออกไปซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ไปครับแต่ตอนนี้ก็ที่บ้านก<ส>็นมีความครับตอนนี้ก็ที่บ้านมีแฟงติงดโควิด COVID คนหนึ่งครับแล้วก็มีมีลูกลูกฝากเขาเลี้ยงนะครับก็เลยบอกว่า ก็เลยเจอกับความพะทนาก็เลยกลายมาเนื้สติสติที่นักรู้ครับว่าเอ้าที่ที่เราเราระลึกเสมอว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็เลยมานี่มาผมก็เลยกลายเป็นตอนนี้มันก็เลยไม่ไม่รู้สึกอะไรมากมายครับเพราะตอนนี้ก็ห่างลูกมาได้อาจินหนึ่งแล้วครับเคยนอนด้วยกันทุกวันมก็เลยไประลึกรู้ว่าเออก็ดีเหมือนกันเราจะได้รู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตรู้ใจว่ามันฝู่งแค่ไหนประมาณเนี้ยครับ ถ้ามีปัญญาก็ไม่ฟุ้งปัญญา ส, สื่อสารว่าความจริงเป็นยังไงนี่ไม่มีอะไรจะถามใช่ไหมก็ไม่มีครับเแล้วผม ต, ต้องต้องต้องตอนนี้ผมต้องปริญญาเรื่องเรื่องอะไรต่อครับอาจารย์ก็เรื่องรอบตัวเราเห็งต่างที่ที่เราสำผัญ ท, ทั้รู้นี้ก็เป็นของไม่เที่ย ว, วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดผ่าจ า, ากกันไปเป็นธรรมดา หรือถ้าจะพิจารณาร่างกายเราก็ได้ว่าร่างกายมันว่าไม่มีตัวมีตนมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพีอาการ32มันเป็นิน้ำรูปไฟของเรานี่ยนะเพื่อได้ปล่อยวางร่างกายเราได้เราเป็นผู้ใช้ร่างกายแต่เราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเราเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเราไม่ได้เป็น โทรศัพท์มือถือก็เป็นเพผู้ใช้มันด้นนึ่งร่างกายก็เป็นหนึ่งโทรศัพท์มือถือเครื่องที่เราไว้ใช้ติดต่อคนนั้นคนนี้ทุกวันเนี่มันก็ต้องเสียมันก็ต้องทํำไปเนี่ยพิจารณาอย่างนี้ไปไเรื่อยๆเราไปเว่างกายมันเป็นอะไรเราจะได้ไม่เดือดร้อนได้ยินนะได้ยินครับโอเค ถ้าไม่มีอะไรก็ขอไปที่ท่านต่อไปน ะ, ะคุณชนินคุณชนะนได้ยินไหมคุณชนะนเอ้ยนะถ้ายังถ้ายังไม่มาเดี๋ยวข้ามไปที่คุณนายพก่อนน ะ, ะคุณนายพอ่าอยู่ที่ไหนคุณนายพลกับธรรมสการวัาจานทร์ครับ ผมชื่อปิยวัตรนะครับผมอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับอาจารย์รยก็พรุ่งนี้วันพระเลยถือโอกาสมากราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็เลยคิดคําถามมาหนึ่งคถามซับอาจารย์ก็คือตั้งแต่ที่โยมสังเกตมาเวลาเราเริ่มโตขึ้นเราสังเกตว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยในในครอบครัวต่างๆเนี่ยมีทั้งที่บางคนก็เกิดมาจนแล้วครอบครัวก็รวยเจริญด้วยพวกกระซับ ทางสังคมทางร่างกายแล้วบางครอบครัวก็แย่พอพอบ้านรพายก็กลับมาเสื่อมลงแต่บางครอบครัวก็เกิดมาจนจเจริญได้วพวกทรัพย์แล้วก็สามารถรักษาทรัพย์นั้นไปตลอดรอดฝั่งได้คราวนี้โยมก็เลยไม่ไม่ตกไปในทางที่เสื่อมลงนะครับโยมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่และครอบครั ว, วที่เขาเสื่อมลงหรือเขาคงความดีความจเจริญ น, นั้นไว้ได้ตลอดเนี่ยมันเป็นจากบุญกรรมที่ได้ทําในชาตินี้หรือว่ามันเป็นบุญกรรมที่เขาทํามา ตั้งแต่ในชาติก่อนโยมก็เลยอยากให้อาจารย์สอนเพื่อจะได้ไว้ให้ทำให้ตัวเองไม่เสื่อมลงแล้วก็ไว้สอนลูกโยมต่อไปด้วยครับอาจารย์ก็มันรวมทั้งของที่เราเคยทำมาแล้วก็สิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้ด้วยแต่เราเราเราบอยาังมองภาพไม่ไม่ครบเราควรจะมองว่าทุกคนมันก็เหนือไม่หมแก่เจ็บตายอยู่ในเหมือนกันนะ ต่อให้ดูแล ย, ยังไงดียังไงไม่เสื่อมยังไงในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคนฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลถ้ามันจะเสือ่อม่าถ้ามันเสือ่อม่าห้ามมันไม่ได้มันเป็นธรรมดาในโลกนี้มีเจ ร, ริญมีเสื่อมเป็นธรรมดาทบทวนอย่าง น, นี้แล้วเราจะได้มองเห็นภาพรวมที่ถูกต้องมองว่าในที่สุดทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันจะรวยจะจนจะดีจะชัว่วมันก็ ไปในในทิ่ทางเดียวกันนะั้นขอยห้เราทำให้ดีที่สุดก็ดแล้วกันอย่าทำบาปทำแต่บุญพยายามชำะใจของเราให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นเป็นผลเป็นสิ่งที่จะให้ผลดีกับเราให้ดีกับจิตใจของเราเวลาร่างกายตายแลวตายไปเราก็จะได้ไปที่ดีต่อไป ส่วนชาติสมบัติที่เราได้มาในภพในชาตินี้เดี๋ยวก็เอาไปไม่ได้ตายไปแต้องทิ้งไปเข้าใจไเข้าใจช่ครับก็ดูแลให้ดีที่สุดเท่า ท, ที่เราจะทําได้แต่ก็ต้องคิดถึงสมบัติที่เราจะต้องเอาติดตัวไปคือบนุญบุญที่เกิดจากการไม่ทําบาปบุญที่เกิดจากการทําบุญบุญที่เกิดจากการทำทากการทำ้านใจให้สา อั น, นี้เป็นสิ่งที่เราติดตัวไปได้พยายามทําทให้มากๆครับตอนนี้น่ามีอะไรไหมไม่มีนะครับขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับเดี๋ยวโยมจะน้อมนําไปปฏิบัติต่อไปนะครับครูชนะกลับมาแล้วชนะเยงไม่อยู่ในน้ำขามเก่อนอยู่นนที่ไหนครับพระอาจารย์อยู่ปฐุมธานีครับมีอะไรไหมวันนี้ก็มาส่งกันบ้านครับ แล้วก็อยากจะสอบถามเรื่องกาแฟเนี่ยครับให้เราเข้าสมาธิยากขึ้นด้วยหรือเปล่าครับกาแฟเลยกาแฟกาแฟดำอ่ะครับเออก็มีส่นวนเวลาเราอยากกินกาแฟใจเรามันจะกระสับกระส่ายกัวลกังวานถ้คิดแต่เรื่องกาแฟมันก็จะทําให้เข้าเข้าสมาธิได้ยากแล้วถ้าเรากินไปแล้วล่ะครับแล้วเรามานั่งมีส่วนครับตอนนั้นก็ไม่มีส่นวนตอนนั้นมัน มันเองแล้ะมันก็เลยไม่กังวนกังวลช่วงนี้เข้าสมาธิไม่ค่อยได้เลยครับออมันเหมือนจะเข้าได้แต่ว่ามันก็ติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนจะเข้าได้ในในเดี๋ยวนั้นตลอดแต่ก็ยังติดอยู่ครับมั น, มนติเราสติเรามีกําลังน้อยนะเราต้องมฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งฝึกสติก่อนใช่ไหมครับอ่พุโทโธพุโทโธพุโทโธหรืนคอยดูว่าเรากําลังทําอะไร ไอยู่กับการกระทำารงดังของร่างกายไปแต่ถ้าเลิกกาแฟได้ก็จะดีเพราะมงั้นเดี๋ยวเวลาจะนั่งสมาธิมือนกะนั่งไม่ได้วัานกาแฟกินก่อนครับพรอาจารย์แล้วเดี๋ยวพูดหน้ามาส่งกันด้านอีกครับผมโอเคน้าถึงดรฐานเชิญดรฐานไิที่ไหน ครับครับสวัสดีพระอาจารย์ครับอยู่นครราสีมาครับพระอาจารย์ครับ okay. มีอะไรไนหะ อ, อ๋อเพิ่งเพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับพระอาจารย์ครับ อ, อ่ก็เพิ่งเริ่มฝึกปฏิบัตินะครับได้สักสามเดือนหนึ่งครับ mm hmm. ตอนนี้ก็พยายามจะนั่งสมาธิซึ่งกำลังของจิตค่อนข้างน้อยครับนั่งแล้วก็มีเหมือนกับจิตเ อ, อ่อภาวนาพุโทโธหายไปแล้วก็เหมือน ลมหายใจก็หายครับเข้าใจว่ากําลังน่ะไม่พอครับตอนนี้ก็เลยพยายามตั้งตั้งตั้งตั้งตั้งใจจะพยายามฝึกให้ได้อยู่ครับอาจารย์ครับก็พยายามฝึกสติให้มากก่อนที่มานนั่งเดิยนยืนนั่งนอนให้มีสติอยู่นาเคลื่อนไหนวอของร่างกายตลอดเวลาครับครับครับอาจารย์เราจะบริกรรมพุทโธพุทโธตลอดเวลาก็ได้ได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพอดีช่วงช่วงเออจะหยุด ช่วงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวว่าจะพาครอบครัวมาจากโคราชไปไปที่ไปไปกาพะาจานทร์อยู่ครับใช่ครับผมครับกับมีแค่นี้ครับพ่อจารย์ครับผม ค, ครับตอนนี้คิดว่าทุกคนที่เข้ามาในห้อได้ถามกันหมดล้วนะันนี้ไปที่คําถามที่เข้ามาทางเฟซบุ๊กและยูทูบนะวันนี้มีเท่าไหร่ค่ะตอนนี้มีคําถามเข้ามาทั้งหมดแปดคำถามค่ะ คำถามที่หนึ่งค่ะคำถามที่หนึ่งจะคุณสิริพรค่ะกลับนมัส ก, การเรียนถามค่ะถ้าเราไม่อยากอะไรเลยแล้วเกิดชาติหน้าเราจะได้เป็นอะไรคะถ้าไม่อยากอะไรเลยก็เป็นพระน่ะเป็นพระผูเ้จเจ้าเลยไม่มาเกิดนะคำถามต่อไปจะคุณทิมทิมค่ะกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะ มีความปรารถนาจะถือศีลแปดเพื่อบวใจต้องไปรับศีลแปดจากพระภิกษุสงฆ์หรือไม่เจ้าคะหรือต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องเจ้าคะสาต<ร>ุค่ะาไม่ไม่ต้องเราเพียงแต่ให้เรารู้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างเราก็รเริ่มรักษาไว้ได้เลยดยการกําหนดเวลาเราจะรักษาศีลแปดเป็กี่วันกี่คืนก็ว่าไปท่านเองม่ต้องไม่ต้องไปขอศีลจากพระที่ไปเพราะเราไปศึกษาเพอให้รูว่ามันมีอะไรว่า ถาเรารู้แนละ้วก็ไม่จะเป็นนี้ก็ไปหาพระเนื้อหาไขก็แล้วก็รักษาไปได้เลยคำถามต่อไปจากคุณชิบุลค่ะอารมณ์เกิดดับที่เกิดขึ้นกลางอกกับความคิดคนละตัวกันใช่ไหมคะที่กลางบอกมันเป็นเรื่องของร่างกายส่วนอาการที่มันอยู่ในใจมันเป็นความคิดมันคนละคนละตัวกัน คำถามต่อไปจะคุณม u l ติเวอร์ซัลยูนิตี้ค่ะบ้างว่ า, ารูปประพรมเป็นพรมนิ่งๆสันฐานกลมบ้างว่าถ้ามีรูปประกายแบบเดียวกับรู ป, ปรพรมแต่กายท่านละเอียดสวยงามกว่าความคิดความเชื่อเหล่านี้เช่นนี้เป็นความจริงหรือครับกลับขอบพระคุณครับมันพรมนี่มัน you, ไม่มีโรคทัรปปรร้รูปประพรมแั้รูปปรพรมมันเป็นความว่าความสงบของใจ เห็นไดว่าทางสมมติโลกสมมุติเขาก็บางทีก็เขาก็เขาจะแต่งขึ้นมาทรว่าวาาเป็นภาพอะไรขึ้นมาแต่คอนชีมันไม่มีมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีรูปร่างหน้าตาคำถามต่อไปจากคุณบุ๊ชค่ะจะเอาใจจะเอาชนะใจแม่ยายอย่างไรทะเลาะ ก, กันบ่อยครับอ๋อทาตัวเราเป็นลูกชายครับ ตับใจแม่แม่จะ อ, อะไรก็ตามใจครับผมครับผมอย่าไปขัดใจแม่อย่าไม่ถียงกับแม่รับใช้แม่แม่จะใช้ให้ทำอะไรครับผมเรียบทาทันทีแล้วรับรองได้เลย ว, ว่าก็าชนะในการให้ในการเสียสละคํำถามต่อไปจากคุณสิริแอนค่ะ เดินทางมาจากออสเตรียเพื่อมาใส่บาตรฟังธรรมพระอาจารย์โดยเฉพาะสิบกว่าวันพระอาจารย์เมตตาทักทายและจำญาติโยมได้ยมคิดทุกวันว่าหากได้ทำบุญกับข้าวถวายเองจะทำได้ปราณีกว่าแต่จนปัญญาพระพักอยู่โรงแรมอย่างนี้เป็นโลภะหรือไม่เจ้าคะก็เป็นความปาตรนาดีเป็นเจตนาที่ดีมันก็ไม่ถือว่าเป็นโลภะดไง ก็เวลาเราจะทำอะไรเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดก็ถือว่าเป็นทำได้ไม่ได้เป็นกิเลสอย่าถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปทุกข์ร้อนกับมันนะครับอย่าไปยิดยูไปติดกับความทาต้องการทำถ้าทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปล่อยไว้คำถามต่อไปจะคุณ power note ค่ะกราบขอโอกาสค่ะกราบขอโอกาสครับขอคำแนะนำครับผม ผมมีความตั้งใจที่จะออกบวชแต่ยังพิจารณาเลือกวัดที่จะบวชระหว่างวัดที่บ้านใกล้พ่อแม่เพื่อที่จะได้ให้พ่อแม่มาทําบุญหรือวัดที่อยู่ไกลาจากพ่อแม่แต่เป็นวัดสายปฏิบัติมีครูอาจารย์ครับขอพระอาจารม่ตาชีแน็ครับ อ, อ๋อถ้าเราบวชเพื่อการปฏิบัตินีนเราไม่ควรยังบวชอยู่วัดใกล้บ้านมาวัดใกล้บ้านทำมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมามัจะทําให้เรา เอ่คุยได้งั้นต้องไปอยู่ไกลๆ ไ, ไม่ที่เราจะได้ไม่มีโอกาสได้เจอเขาเลยแล้วก็ถ้าไปได้วัดที่เป็นมีครูบาจารย์ที่เก่งทางด้า น, นปฏิบัติด้วยยิ่งดีใหญ่นถ้าบวชถ้าบวชเพื่อเพื่อหลุดพ้นจากอวามทุต้องต้องไปไกลๆอย่างก็อยู่าที่ที่เขาติดตามมาเยี่ยมเยียนเราได้เรเขา้าเวลาเข้ามาเราเห็นเ่าที่ใจเราจะฝอก เวลาเข้าไปแล้วใจเราจะเศร้าเวลาเข้ามาเราดีใจพเข้ากลับไปเราจะเศร้าจะเหาขึ้นมาทันทีเราจะทําให้เราอยากจะกลับตามเข้าไปเดี๋ยวถ้ามาบ่อยๆเดี๋ยวออก็อดทียากจะคิดเสร็จไม่ได้พยายามอย่าให้ญาติพี่น้องพ่อแม่อะไรนี่มาเยี่ยมเราได้ยิ้งี คำถามต่อไปจะคุณมาลดิเวอร์ซอลยูนิตีคำถามพิเศษนะคะขอทำมาพระอาจารย์สั้นๆเรื่องอ r e รียสซั์เจ็เพื่อให้เพื่อนและกรลยายนมิตได้มีทรัพย์มีกำไรครับกราบขอบพระคุณครับอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าต้องไปล่อย Google ดูอาเรียสซับเจ็ดดีอะไรบ้างขอผ่าด้วยมันก็ยอ่านทางตำราเท่านั้นคำถ า, ถามต่อไปจะคุณกำค่ะรบกวนถามค่ะ นั่งสมาธิแล้วฟุง้งซ่านมากสามารถใช้วิธีระลึกรู้กายใจรู้ความรู้สึกขณะชีวิตประจำวันแทนได้ไหมคะถ้าเวลานัาง่งมันไปแล้วเรื่องอ่านั้นไม่ได้มันต้องใช้ส่วหนมนไปแล้วพูดโทรไปหรือดูลองหายใจไปคำถามต่อไปจะคุณอนุสอนค่ะ การยกจิตเหนือโลกควรน้อมนำเช่นไรถึงจะถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาครับขอความไม่ตาจากหลวงพ่อด้วยครับก็ต้องมีสติยกก่อนแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาพิจารณาว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกขเพราะมันไม่เที่ยงทั้งว่ามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ครับทำไม่ได้มันเป็นธรรมชาติถ้าถึงจะยกจิตให้เหนือโลกได้ต้องมีเครื่องมือ มีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาคำถามต่อไปจากคุณซุตราสตาค่ะช่วงหายใจหนูรับรู้ว่าลมหายใจมันละเอียดมากๆนุ่มเบาสบายๆเกิดจากที่เราฝึกเจริญสติไหมคะแต่หนูยังไม่ได้สมาธินะคะกำลังฝึกอยู่ค่ะขอพระอาจา ร, รย์เมตตาชี้แนะค่ะใช่การมีสติให้ะทำให้ใจเราว่างขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นเบาขึ้น คำถามต่อไปเจอคุณ Freezing Time ค่ะถ้าเราทำงานทำธุรกิจแต่จิตที่ฝึกสงบบ่อยมากทำให้เบื่อหน่ายทางโลกทางการทำธุรกิจหาเลี้ยงชีพมันขัดแย้งกันไม่มีไฟขับเคลื่อนในการหาทรัพย์ซึ่งทรัพย์เป็นสิ่งที่หาเพื่อบำรุงสังขารและบริวารต่างๆท่านมีคำแนะนำอย่างใดไหมคะก็เราต้องใชเหตุผลการท า, ง, ทา ง, งานเราต้องมีเหตุผลมีเป้าหมายมาเราทาเพื่อนเน้นปากเน้นท้อง นั้นเราพิจารณาถ้าเราไม่มีหน้าหน้าเราก็จะอดอยากลำบากมันก็จะทําให้เรามีความพ ย, ยายามที่ทํางานได้อยากปล่อยให้มันไหลไปตามอามณ์เสมไอไปถึงแม้จะเป็นอารมณที่ดีแต่มันก็มันก็มาเป็นปัญหาได้อารมณ์อยากจะปล่อยวางทุกอย่างก็ดีแต่มันถ้าจะปล่อยวางทุกอย่างก็ต้องปล่อยวางนั่งใจเราด้วยปล่อยร่านั่งใจมัน อ ด, อดอดอดตายได้ถ้าอย่างนี้ก็ก็ดีแตถ้ายังต้องกินอยู่มันก็ต้องมีความรับผิดชอบมันก็ต้องมีการหาเลี้ยปากเล้ยท้องคำถามต่อไปจากคุณอู๋ค่ะการฝึกสติชาตินี้จะติดตัวไปชาติหน้าไหมคะเด็กอะไรทุกอย่างที่เราทํานี่มันจะเป็นนิสัยติดตัวเราไปคำถามคําถามข้อต่อไปจากคุณอู๋นะคะ เวลาว่าฝึกสติจิตจะสงบเวลากลับไปทํางานจิตใจยุ่งเหยิงแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเราจะทํางานทางโลกแบบไม่มีอารมณ์ใช่ไหมคะใช่เวลากลับไปแล้วเราจะเริญสติต่ออย่าทิ้งสติไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราต้องพยายามมีสติอิสระในเวลาเหมือนนั้นแหละ มีอีกมีอีกสองคำถามค่ะยังเข้ามาอยู่เรื่อยๆค่ะคําถามต่อไปจะคุณ อ, อ้ออ้อค่ะจิตโมโมะมีกุกกุจะเกิดในสมาธิโยมขอกราบพระอาจารย์เมตตาชี้แนะทางแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะเราไม่ค่อเข้าใจภาษาบางลีว่ า, ากุกกุจเนี่เป็นอะไรนะอาจารย์คำนั้นอะไรรู้ไเอ่อความคุณมัวค่ะพระอาจารย์<อ>ค่ ะ, คะ ก็เกิดจากความคิดปลกแต่งของเราที่เร า, มามไม่ครอบคุมมันด้วยสตินวัตกรรมจากสติแล้วความคิดปลกแต่งต่งตางๆก็จะค่อยถบตัวค่าคำถามต่อไปจากคุณสกลค่ะการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาสูงสุดดับอวิชชาคือให้รู้เกี่ยวกับอะไรครับเรื่องใจรักทุกอย่างในโลกนี้ไม่ทีง่งเป็นทุกไม่เท่ยงของเราเป็นของธรรมชาติ ค ำ, คำถามต่อไปจากคุณชีบูลค่ะในหนึ่งวันมีเพ่งรู้สึกตัวนิดหนึ่งแล้วก็หลงอีกเป็นแบบนี้ตลอดนั่งสมาธิทุกครั้งที่ว่างค่ะอย่างนี้ถูกต้องไหมคะก็ทำก็ดีก็ทำไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้น <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณทีคตนาค่ะ <c oughs> เมื่อถึงเวลาเจ็บป่วยต้องวางสติปัญญาอย่างไรให้ทานการปรุงแต่งของจิต ท, ที่ไปยธ์ ต, ตัวทุก เพราะบางครั้งก็ทันบางครั้งก็ไม่ทันเจ้าค่ ะ, ข อ, ะขอพระอาจารย์มีธาตุแข็งแรงเจ้าค่ะทำไปทันกันต้องริสฝึกสติตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่มันจะถึงเหตุการณ์จริงเราพปเอาสุดสติให้มากๆนั่งสมาธิให้บ่อยถามสุดท้ายนะคะตอนนี้ค่ะจากคุณธนเดชค่ะกล่าพระอาจารย์ครับรู้สึกโคตรหู ก, กับการเห็นสัตว์จรจัด จะจัดการกับจิตตัวเองอย่างไรดีครับทุกทีจะเห็ว่าสัตว์ทุกตัวมีกรรมของเขาตบทําดีได้ดีทําทําไม่ดีก็ไม่ได้ไม่ดีใครใครตกทุกข์ยากเหล่านั้นก็ถือว่ามันเป็นวิบากกรรมของเขาที่เขาทําถ้าเราช่วยได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องรับกรรมของเขาไป อาจารย์เขยังมีเข้ามาอีกค่ะค่ะคำถามต่อไปจากคุณ p าว e r note ค่ะสืบจากสืบเรื่องต่อจากคําถามแรกนะคะเมื่อเราบวชที่ห่างไกลจากพ่อแม่และเราสามารถสงเคราะห์ทำให้กับพ่อแม่ได้อย่างไรบ้างครับก็ต้องรอให้เรามีธับก่อนแล้วค่อยไปสงกครานั่นคือพระพุทเจ้าระเจ้าออกบวชหกปีไม่เคยกลับไปบ้านเลยไม่เคยกลับไปวัง กันหลังจากตัดสันโดร์นะทีนี้ก็ท่านก็นเสร็จกลับไปตรวจสมเด็จวังได้เป็นตอนที่เราปฏิบัตินี้ไม่ต้องไปกังวลกําเรื่องการไปสง่งเคราะห์ผู้อ่เราต้องตัดลงทำมาให้มันเต็มใใหัวใจเห็น ม, มันบรรลถึงขั้นสูงสุล้วทีนี้เราค่อยไปสง่งเคราะห์ผู้ต่อไปขั้นทําต่อไปจะคุณกิติศากดิ์ค่ะ กรับนมัส ก, การครับในปกติระหว่างวันเราทรงอาณาปาใช้สติผู้ผรู้ดูอารมณ์ว่างกำหนดรู้ดูอารมณ์กระทบจากภายนอกว่าทำให้จิตผิดปกติหรือไม่แล้วหาเหตุสุดท้ายแล้วหาเหตุสุดท้ายก็จะวนกลับมาที่เพราะเรามีกายยึดกายพอ น, นึกถึงความตายอารมณ์ยึดก็เบาลงเป็นแบบนี้ตลอด ทั้งโลกโกรธหลงถึงตรงนี้ควรจะเดินต่อไปในทิศทางใดในระหว่างวันและขณาดนั่งสมาธิครับควรหยุดจะลอแบบนี้ดีกว่าเพราะมันก็ไปไม่ได้ใกล้มันก็วนอยู่อย่างนี้ถ้าอยากจะให้มันใจใจนี้มาฝึกสตินี่กว่าพยายามกำหนดรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเฝ้าดูให้ใชไม่ต้องคิดปรุงแต่งอะกับการเคลื่อนไหวให้รู้แจ้ง แล้วเวลามีเวลาว่ามานั่งหลับตาบงงหายใจเข้าให้จิตเข้าสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อมีสมาธิแนละ้วค่อยมาพิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นตายแล้ไม่เที่ยงเกิดแล้วแบบไยึดไปติดก็จะทุกข์นะนี่จะเป็นรูปแบบที่จะพาเราเก้าวหน้าได้อย่างนั้นถ้าคุณทำอย่างนี้คุณก็ยังเวีนอยู่กับการดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปไม่ถึงไหน คำถามต่อไปจากคุณพงษ์รัตน์ค่ะชาตินี้เราวุ่งพระรนิพพานแล้วทางโลกจะปฏิบัติอย่างไรให้สําเร็จไปพร้อมกันได้ไหมครับนําโลกก็ทำเทื่อที่จะเป็ น, นทําเพื่อเลี้ยงปากเล้ยงท้งองเท่านั้นห้เราบวชพระก็ยังต้องไปเป็นนักบาชนักบวชมันาาลมเลี้งชีพมันต้องซับจีวรต้องทําหน้าที่เกี่ยวกับร่างกายแต่ทําให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นมาเวลาส่วนใหญ่มาให้กับการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นอดีกว่า คำถามต่อไปจากคุณดอโรชานค่ะถ้าเราเห็นอกุศลในใจที่ๆทำให้จิต ด, ดูขดขู่จะแก้ไขยอย่างไรดีคะให้ทำบริการพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปความที่ได้อกมนก็จะหายไปคำถามต่อไปจากคุณปาวิค่ะทำไมนั่งสมาธิวันพระจิตจึงจิตถึงไม่สงบเลยครับ อ, อ๋อมันอยู่ที่สติไม่ได้อยู่ที่วันถ้าวันไห้นมีสติมันนั่งไมไ่สงบ เมื่ไม่มีสติเมื่นั้นมันก็ไม่สงบค่ะคำถามต่อไปจะคุณวงปากาค่ะนั่งสมาธิที่บ้านเฉพาะตอนเย็นประมาณหนึ่งชั่วโมงจําเป็นต้องเดินจงกรมด้วยไหมคะมีบางครั้งที่จิตเผลอแล้วเหมือนโดนดูดบ่อยๆค่ะไม่จาเป็นหรอกนอกจากว่าเราอยากจะปฏิบัติเพิ่มพอเราเลิกจารนั่งเราก็ลิกมาเดินต่อมันก็เป็นเหมกับการนั่งแต่เวลาเวลานั่งมันจะสงบมากกว่า แต่ถ้านั่งแล้วมันดมวย่ยทาไม่ไหวก็รุ่งทำนานต่อได้ตอนนี้คำถามหมดแล้วค่ะคำถามบลัไปที่ป่วยป่วยคน่วย ย, ยหมให้ยิงค่ะยู่ที่ไหนการอยู่กรุงเทพค่ะอะไรไี่กล่บนมาสการพระอาจารย์ค่ะมีคมีคาถามนะคะคือ หนูพยายามพยายามนั่งสมาธิให้ได้ทุกวันเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยนั่งกลางคืนมันก็จะล่วงก็พยายามตื่นมานั่งนั่งตอนเช้านะคะก็จะทําให้ใดสมาธิ <c oughs> ดีขึ้นก่อนหน้าเนี้ยก็นั่งตอนเช้าเฉพาะเสาร์อาทิตย์พอพอมาเริ่มมานั่งวันธรรมดาด้วยเนี่ยพอนั่งถี่ขึ้นก็จะทําให้ให้มันสติมัน <c oughs> มีสติเร็วขึ้นนะคะ แต่ในหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะคะมันจะติดอยู่ที่เดิมตลอดก็คือคือพอนั่งปุ๊บมันเริ่มเริ่มมีอาการแปลกๆเนะะี่ยค่ะแล้วเคยเรียนพระอาจารย์ไปแล้วว่าความลมหายใจมันมันหายใจแรงขึ้นนะคะหลังจากที่มีแสงอะไรเงี้ยจากนั้นมันก็ติดแบบนี้มา มาตลอดเลยครับมันไม่ผ่านไปไหนไม่รู้ว่าจะทํำยังไงในขณะที่พอเกิดอาการก็พุทธโทพุทธโทต่อเนื่องอะค่ะก็อย่าไปสนใจกับอาการเหมือนกันไมยูพุทธโทรไปเดียวแต่มันไม่หายอะค่ะพุทธโทรยังไงมันเราไม่ได้เราไม่ได้ทําให้มันหายเราเราทำเปื่อดึงใจให้เราอย่าไปให้ความสําคัญกับมันให้เราอากอดติกับพุทธโทไปอันเดส เนี่ยต่อไปมันก็จะหายเองแต่อย่าพยายามให้มันหายอย่าไปสนใจมันจะหายไม่หายไม่เป็นไรขอเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธของเราไปกัปนแล้วกันค่ะแล้วแต่ไม่เคยเคยคือมีเคย ม, มีแสงวาดอย่างที่ที่เรียนอาจารย์เนี่ยนะคะแต่ว่าสงสัยเหมือนกันเหมือนที่พี่พี่ท่านหนึ่งเขาถามเรื่องคณิกะสมาธิอย่างเงี้ยค่ะหนูเลยไม่รู้ว่าอย่างเงี้ยหนูได้ ถึงคณิกะบ้างหรื อ, อยังนะคะแต่ตัวเอง<อ><อ>รู้ตัว ม, มันาม่เคยบอกถ้ามันได้มันจะปะมาจะตัณใจมัน้สึกสราจว่างเบาสงบเย็นนั้นยังถ้ามันยังถ้ามันไม่เป็นของแปลกประหลาดมาตัณฑ์นี้แสดงว่ายัางไม่ใชนะ่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลขอเรามีสติไปเรื่อยๆก็แล้วกันมันไม่ใช่ไปของง่ายไม่เอาทุกคนหน้าเราปุ๊จะได้ปั๊บเนึ่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะ คนใช้เวลาเป็นปีเลยก็แยกมาใช้ได้ค่ะพระอาจารย์คะอย่างคําว่าแยกรูปแยกนามนี่คืออะไรคะ อ, อ๋อคือเราพิจารณาแยกให้รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละคนอย่างเงี้ยใจเป็นนามกายเป็นบากใช่ไห ม, มันคือการพิา<ใ>จารณาใช่พิจารณาว่าร่างกายเป็นของไม่เที่ยมใจเป็นของเที่ยมใจไม่ได้ตายเป็นของร่างกายนั่นใจไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับความเป็นความตายของร่างกาย ใจไม่ได้เป็นร่างกายแต่ใจไม่รู้ไงใจเป็นลองคิดว่าใจเป็ น, น่างกายื่อว่าจะตายไปกับร่างกายะอะไรเกิดความทุกข์ขึ้นเวลาร่างกายเป็นอะไรไปแต่พอเข้าใจด้วยปัญญาแล้วว่ามันใจไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายไม่ได้มันทําให้ใจตายไปด้วยใจก็เบาสบายค <c oughs> นั่นเองคือ <c oughs> ยากาย <c oughs> ยากใจ <c oughs> เพราะมีอยู่วันนึ่งนะคะหนูนั่งนะคะวันนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยมันปวดหัวมากมันก็เลยแบบเหมือนกับจะหาข้ออ้างไม่นั่งนะคะว่าเออปวดหัวเดี๋ยวนั่งยังไงก็นั่งไม่ได้แต่ก็พยายามฝืนตัวเองว่าต้องนั่งต้องนั่งให้ได้ทุกวันก็ก็ก็มานั่งนะคะสักสักสิบสิบนาทีก็รู้สึกตัวเองสงบลงไป ส, สงบมากนะคะแต่ก็ยังมีการส่งจิตออกนอกก็พยายาม ดึงสติกลับมาได้พุทโธพุทโธก็นั่งไปสักหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะพอออกจากสมาธิถึงจะมันก็จะมีอาการปวดหัวมันทำให้เรารู้สึกเลยว่าอ้ยตอนที่นั่งสมาธิอยู่อะคะ่ะอาการปวดหัวหายไปเพียงพอออกจากสมาธิถึงจะจำได้ว่าเออตัวเองปวดหัวอยู่นะก็เลยไม่ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงอาการปวดหัวมันถึงหายไปในขณะที่นั่งสมาธินะคะ ก็ไม่แน่นอนบางทีถ้าใจสงบมการที่เป็นทางร่างกายมันก็สงบลงได้ตามบางทีก็ไม่หายก็ได้ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงมา ก, กัน่นี่มันเป็นอนิจจังไม่แน่นอนบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายขอทำทานขอให้ใจเราไม่ไปทุกข์กับมันเด้ไหมค่ะพี่ชายนะค่ะแล้วแล้วอาาคุเบกขาค่ะทําให้เกิดปัญญา หรือ<ม>ว่ามันทําให้การอุเบกขาอุเบกขาทําให้ใจนิ่งสงบให้ใจปล่อยวางปัญญานี่กิดจากการพิจารณาอย่างที่แม่ยี่พูดเนี่ยแยกกายแยากใจออกจากกันเรียกว่าปัญญาปัญญาเกิดจากการพิจารณาแต่อุเบกขาเกิดจากสติที่เราเอแ<ช>ต่สติเราสร้างใช่ไหมใช่ใชอ๋อเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ปัญญากองระบบอุเบกขาก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันก็เรเลือกกัน แ ต, แต่แต่วัยแบ่วัการจะช่วยให้ปัญญาปล่อยว่างได้เวลาปัญญาเห็นว่าสิ่งนี้ไม่ที่ยังเป็นทุกข์ต้องค่ะสใจแล้วนะค่ะ พ, พระอาจารย์คะอย่างคาว่าหนูเคยได้ยินคำว่าจิตเห็นจิตอะ่ะคือสมมติเรานั่งสมาธิแล้วเราเห็นความคิดเราเห็นอารมณ์ของเราอย่างเงี้ยคือใช่ไปแหงจิตแล้ว อย่างนี้คือจิตเห็นจิตเจตเห็นจิตเจตเห็นอาการของจิตผู้อะไรผู้สั้นๆมันเจตเห็นจิตจิตเห็นอาการของจิตความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆนี่เป็นอาการของจิตอารมณ์ต่างๆนี่มันอืมแล้วเวทนาในเวทนาคือืออะไรอะคะเพราะมันเป็นคำแปลแปลมาจากภาษาบาลี อันนี้ก็คือให้เรารู้จักเวทนาว่ามันเป็นตายรักมันเองค่ะหนูก่อนหน้านี้ค่ะสักเดือนที่แล้วหนูพดีบังเอิญว่าไม่รู้หลุดเข้าไปในตลาดที่เขาขายสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในในจัตุจักรไม่รู้หลุดเข้าไปได้ยังไงแล้วก็ไปหลงอยู่ในนั้นหาทางออกก็ไม่เจอตลาดมันใหญ่ แต่ว่าในใจอ่เห็นแบบเห็นไม่ว่าจะเป็นปลาสวยงามสัตว์เลี้ยงน่ารักหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ น, นะคะในในในใจอมันคิดว่าไม่ได้เห็นถึงความสวยงามของเขาอะ่ะแต่เห็นว่าเออสงสารเขาเนื่องจากเหมือนกับเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองมีแต่คนอื่นมีคนเนไปควบคุมเขาจับเขาใส่ไปในถุงพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไปขายอย่างเงี้ยความความคิดเนี้ยค่ะพระอาจารย์ มันมันคือมันคือสัญญาหรือมันจริงมันเป็นบัญญาเห็นชคของเขาอ่ะเขาอยู่ดีๆก็ต้องถูกมาจับคังคุกขั ง, ง, งตลาดมันอยู่อยู่ในคุกอยู่ในตลาดดีๆเนี่ะคนคนได้ยินไปซื้อกระสา ร, รว่นนี้มาเลี้ยงนี่ไม่รู้ว่าทํำบาปทากรรมคิดว่าทําบุญเราเข้ามาเรี้ยง<ไ>แคนความจรเขาเข้ามาขันไม่คิดะ งั้นเราคิดแบบนี้แปลว่าเป็นปัญญาเหรอคะใช่ไม่ญญไม่สัญญาใช่ไหมไม่ใชสัญญาควาจริงอ๋อค่ะแล้วเราก็จะไม่ทําช่ไหมคิดนี้แล้วเราก็จะไม่ทำใช่ค่ะใช่ไม่อยากจะซื้อสัตว์มาเลี้ยงใช่ทำอะไรเขาบอกว่านางจยากซื้อมาปล่อยนะนี่แต่คนก็ปล่อยนกปล่อยปลาแล้วนี่จะมาซื้อนกซื้อปลามาขังไว้นในตู้ในกล่องมันไม่มันไม่ได้เป็นการทำบุญนะเป็นการทํำบา อราคิดถึงตัวเราเองว่าเราถูกเข้าจับมาขังไว้ในกองยานีนะใช่ไหมใช่ค่ะนั่นแหละดูความเมตตาความปัญญาเห็นเห็นทุกข์เห็นว่าเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนนปัญญาเบียดเบียนกันมนการเบียดเบียนผู้ขายความเมตตาอีกคําถามหนึ่งคะ่ะพระอาจารย์คือจากที่ หนูฟังคําสอนของพระอาจารย์เรื่อยๆนะคะมันทําให้ให้หนูว่าไม่ได้อยากไปวัดหมายถึงว่าความรู้สึกเหมือนกับถ้าเราไปเที่ยวไปวัดที่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่แค่ไปกราบจุดธูปทําบุญใส่ตู้อะไรเงี้ยความรู้สึกหนูมองว่านั่นคือการไปเที่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นถกตถูกตงไม่ได้ไปถึงวัดถ้าไปถึงวัดต้าไปที่ที่มีความรู้ให้เราได้ศึกษามีที่ให้เราปฏิบัติค่ะ แล้วแล้วอย่างสมมุติอย่างวันเข้าพรรษาที่คนเขาไปเวียนเทียนกันนะหนูก็ไม่อยากไม่ได้อยากไปเวียนเทียนไม่อยากไปในที่ที่คนเยอะๆอย่างเงี้ยมันมันบาปเลยอะคะอ๋อไม่บาปอะเพราะเราไกลเราไปไกลเหมือ น, นั้นแล้วเราผ่านขันนั้นแล้วขั้นนั้นสำหรับพวกคนที่ชอบไปเที่ยวที่ต่างๆก็ให้เปลี่ยนมาเที่ยวที่วัดแทนเนี่ยแต่เราเข้าไปเรื่อยก่อนนั้นเราวัด เ, เราเข้ามาเลยขีดนั้นไปแล้วเราเข้าไปในเขตปฏิบัติน่ะเข้าไปในเขตปฏิบัติทํามอวันแล้ว แล้วถ้าเรารู้วัดมีแต่คนทุบบ้านเราก็อยู่บ้านดีกว่าปฏิบัติที่บ้านนีกว่ะเราก็ทําบ้านให้เป็นวัดได้ไม่ต้องไปไปวัดแค่ได้เข้าใจไหมคำว่าวัดนี่คือที่สงบที่เราสามารถปฏิบัติทําได้ศึกษาทําได้ถึงเรียกว่าวัดแต่คนบางคนยังศึกษาปฏิบัติไม่ได้ก็อย่างว้อยให้ก้าวเดินให้เข้ามาเวียนเทียน มาไหว้พระ ส, สวดมนตกันก่อนก็ยังดีมีบ่าวไปให้เขไปเที่ยวตามบ่าวตามทัพต่างๆตามสถาน ท, ท, ที่เ ท, ท, ท, ท, ที่ยวต่างๆนะต้าเข้าใจนะว่าในพุทธศาสนานี่ก็เป็นเหมือนโรงเรียนมีหลายระดับเนี่ยมีระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมระดับมัธยมศึกษาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่เข้าว่า เขาอยู่ในระดับไหนก็ต้องเขาก็ต้องไปเรียนไปทําด้ในระดับของเขาแล้วก็ไปเรียนไปปฏิบัติในระดับของเราแด้ไม่ไม่ไม่ไม่เสียหายก็ทําของเขาว่าเขาก็ไม่เสียหายเราทำของเราเราก็ไม่เสียหายเด่เเนนะเั็นเป็นค ร, ระดับกันพาใจนะเข้าใจค่ะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย ไปที่คุณแอเคอยู่ที่ญี่ปุ่นเชิญมีอากาศมัสักการ์ดพระอาจารย์เสียงนะไม่ค่อยสบายไม่มีเสียงติดโควิดนะไม่ใช่โควิดค่ะพระอาจารย์เหมือนวัดลงคอเด็กเอามาจากโรงเรียนมาฝากโอเคขอบพระอาจารย์ค่ะไปที่คนณพิมพิดาตอนพิมพิดา สามนัฬิกาครับาจารค่ะหนืสบายดีค่ะก็ไปทํางานได้เดือนเดือนหนึ่งแล้วค่ะประมาณทำที่ไหนทำที่เดิมค่ะที่เดิมพัทที่ตอนนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศค่ะค่ะก็รู้สึกว่าแฟนยังไม่กลับค่พาดูกลับมาก่อนค่ะเดี๋ยวแฟนกลับมาที่ที่กระทรวงต่างประเทศปลายปี่ค่ะตอนนี้เขาประจํายังประจํำที่ที่นู่นค่ะที่ดีซีค่ะค่ะหนูก็รู้สึกว่า เหมือนกับกลับมารอบนี้ก็หลังจากที่ลาไปแล้วก็แบบได้ปฏิบัติธรรมมากขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าเราทํางานแล้วก็ไม่ทุกเท่าเดิมค่ะคือเหมือนกับมีพรรษาเข้ามาระหว่างวันก็เหมือนเหมือนเดิมค่ะแต่ก็รู้สึกว่าจัด ก, การกับมันได้ดีขึ้นค่ะค่ะ <ไป S 1> แต่ว่าแบบขาดไ ป, ไปวันน <ไป S 1> ี้ <ไป S 1> ค่ะพร<ป> <c oughs> ะอาจารย์ค่ะแล้วก็แบบเหมือนอาทิตย์ที่แล้วก็มีช่วงที่แบบนั่งสมาธิแล้วก็มันก็เหมือนกับ อส่เง็บใช่ไหมคะแล้วก็มีความสุขแล้วก็พอพอเราถอนออกมาเหมือนกับมันก็คือจิตมันก็เหมือนกับบอกตัวเองว่าเนียไงคือคือสิ่งรอบข้างหรือคนรอบข้างเราอะ่ะก็ก็เป็นเหมือนเปอนเหมือนเดิมของเขามันลม้ายอากาศแต่ว่าแบบมันอยู่ที่จิตเราเองคือตอนที่จิตเราแบบวางอุเบกขาได้เราก็รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยอย่างเงี้ยดังนั้นคือถ้าเราถ้าเราสามารถวางอุเบกขาได้ใน ในระหว่างเวลแตลเวลาใช่ใช่ค่ะก็น่าจะมันก็ใช้ปัญญ า, าถ้ามันไม่มีมบเบญกาก็ใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งรอบข้างว่ามันเป็นธรรมาชาติไม่ได้เป็นสิ่งที่มีตัวมีตนเป็นอนัตตาสเปธรรมานัตตาเหมันเหมือนนมท่านเหมือนฝนตกเราก็จะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาไหวเขาไปตามได้ของเขานะค่ะค่ะ ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะหนูเข้ามาดึกเพราะว่าต้องเอาลูกนอนก่อนค่ะเพราะลูกนอนดึกก็เลยเข้ามาช้าค่ะทอนนี้ไปโรงเรียนไ้รไปเรียนรงเรียนหค่ะไปโรงเรียนแล้วค่ะไค่ะวันวางกับาาวค่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกแน่นอนค่ะอาจารย์นดีก่อนนะาค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นย่งสูงค่ะเจษาเชิญเจสนาท่านแก น้ำมันส่งการการขอการเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับอในการภาวนาครับมันจะต้องปล่อยสบายๆแล้วรู้ลมหายใจเข้าออกหรือว่ามันจะต้องเอาจิตจดจ่อเพ่งดูที่ลมที่ปลายจมูกอ่ะลักใช่ต้องมีหลายภูกใจไปถ้านั่งเฉยๆเนื้อใจจะลอยคิดปลูกแต่งแล้วก็จะสร้าง อ, อะไรแปลกๆขึ้นมาหรอกเราได้ นั่งก็มีอะไรผูกใจเช่นดูการดูระบหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกหรือการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่างได้อย่างหนก็ได้ถ้าผมกลับกับคุณพระอาจารย์ครับอนนเอาท่านลยคร <c oughs> ับมีเพียงเท่าครับผมในการไปที่คนอะไรที่เข้ามาคุณอรชนนะพุทธชนนะพุทธชนครับเชื่ อยู่ที่ไหนไปเปรนผู้ทดชชนพูหนหน้ใดหนหน่้เยสวัสดีกับมรดการพระอาจารย์ครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่ที่อังกฤษครับพระอาจารย์เ ม, ม, <c oughs> มืองอะไรเมืองเมืองกาสโกครับกกกสโ ก, รสกรครับพระอาจารย์ครับครับใช่ครับนดับ<า> อยังไม่มีครับมาฟังครับพระอาจารย์ครับ้อนแ้วน้อยไม่ตอนนี้ร้อนครับพระอาจารย์ครับร้อนเหมือนกันนะร้อนทั่วอะไรหมดเลยนะครับคิดอครับผมโอเคไม่มีอะไรจะถามนะยังไม่มีครับแต่ว่ามีจะบอกว่ามีก็ได้ครับว่าผมก็หมดใกล้หมดทุระทางโลกแล้วครับตอนนี้พ่อแม่ก็ไม่อยู่แล้วอันนี้เมื่อปีปีที่แล้วเนี่ยผมไปบวชที่ วัดเห็นนักเป่งวัาจะบวชตลอดนะครับแต่ว่าไปแบว่าไปเพื่อนพระแต่แต่ละจะเป็นไปตกทางงานที่ว่าต้องรับกุญแจคอยรับประเคนคอยรับ่ายมเขามาถวายเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับครั้งสงนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติครับก็เลยวันที่ไม่มีงานทำก็เลยครับก็เลยศึกมาก่อนครับมาตั้งหลักใหม่ก็เลยกลับมาที่นี่ แล้วก็ก็กําลังจะหาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าแถวที่าลแถวแถวิี่าลนั่นนี่จะต้องไปหาวันที่ไม่ไม่มีคนมากมันเงียบสิ่งก่อสร้างเขาเยอะก็ต้องมีเวรทําความสะอาดในตลอดเลยครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะได้นั่งแบบอะไรเงี้ยบางทีนั่งที่กุฏิก็เขาก็มาตามไปทําความสะอาดมั่งทำนู่นทำนี่ตลอดก็เลยถอยออกมาก่อนดีกว่าครับอาจารย์ก็เลย เมืไปแถวอุดรก็ได้อุดรก็มีวัดวัดธรรมดาวัดอาจารย์บุญเมยก็ได้วัดก็ผมวัดผมภูสังโฆก็ได้าจรย์วันชัยตอนนี้ครับผมตอนนี้ก็เลยนั่งปฏิบัติทุกวันเพอจากเลิกเลิกงานก็เหมือนกับคนละโลกครับอาจารย์คือได้อยู่กับตัวเองไม่เข้าสังคมไม่ดื่มเหล้าปกติผมไม่ดื่มเหล้าไม่ถูกไปอยู่แล้วครับก็ปฏิบัติทุกวันอะไรเงี้ยเช้ากลางวันอะไรเงี้ยครับ มไปทําอะไรที่กาสโกยทำงานทาเป็นทําเป็นเป็นคนทำอาหารนะครับพอาจารย์เป็นกุ๊กอ่ะใช่ไหมครับผมก็ทําไปตามนนะครับตามหน้าที่เสร็จแล้วก็พอเลิกงานก็คือเวลาของกระผมนะได้ได้เจริญสติได้สมาธิทําเอ้ทําภาวนาไปใช่สมาธิครับเพราะว่าผมยังไม่อาจเอื้อมตรงนั้นได้ครับทำภาวนาไปเรื่อยๆโอเค ถ้ามีโอกาสก็กลับมาบวชใหม่นะผมผมก็เคยคิดว่าผมจะไปเมื่อก่อนก็กนอยู่ที่แถวพัทยาก็ไม่ทราบพอผมมารู้ทีหลังมาเข้าเส้นทางนี้มาผมเสียดายโอกาสมากตอนที่ว่าผมไปไปอยู่ทางโลซายแล้วผมเลยไม่รู้ว่าพระอาจารย์หนุงปู่หลวงตามหาบัวอะไเนี่ยผมว่าผมเสียดายมากครับตอนนี้แปลว่าเราไม่เป็นไรนะข อ, อ, อ, อเวลาย่อยๆใช่ก็เลย ตัดสินใจว่าเดี๋ยวประมาณสักปีสองปีเนี่ยครับผมหมดธุระแล้วก็จะบวชอีกทีแล้วก็หาวัดที่ <c oughs> ต้องดูก่อนนะครับจะลุยลุยเข้าไปเผื่อมาก่อนไม่ได้ครับผมอ่ะต่้องศึกษาดูก่อนศึกษากครับผมผมผมเสียทุกอย่างเนะครับเงินทองอะไรผมให้ครอบครวมดเลยเหลือเงินอยู่แปด้อยบาทนั่งรถไปที่วัดถินหมักเป้งที่มีบทหมู่ะครับผมสุด <c oughs> ท้ายก็ต้องกลับมากลับมาก่อนครับผมอเ ข อ, ขอบคุณพราจารมากครับสาธุไปที่คุณจุกต่องท่านยังมีคำถามไหมาคุณจุกเป็นลูกมีคำถา ม, ม, ามถอ่ะสาธุกอาขอโทษค่ะมี3ามคำถามตอนนี้ค่ะจากคุณ freezing time คำถามแรกนะคะ ถ้าไม่ได้สวดมนต์แต่พยายามกำหนดรู้ดูการเคลื่อนกับการรู้ลมหายใจแต่ไม่ได้เข้าห้องพระสวดมนต์จะได้ไหมคะทำงานเหนื่อยไม่ได้สวดมนต์แต่รู้จิตรู้กายแทนได้ไหมคะมีพุทโธค่คะก็เวลานั่งสมาธิถ้าดูลมได้ก็ดูลมเลยรกันได้ไม่ต้องส ว, วดมนต์กันไแต่ถ้านั่งแล้วมันฟุ้งก็ใช้การสวดมนต์ในท่านั่งสมาธิท่านอะ แทนที่จะนึ่งลงก็สวดมนตไปภายในใจก็ได้ไม่ต้องอยู่ในห้องพระก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้คำถามต่อไปจากคุณสานิตราค่ะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะถ้านั่งสมาธิไปสักพักแล้วมีอาการวูบตกภวังต้องทําอย่างไรต่อคะให้รู้เฉยๆให้มันนิ่งถ้าถ้ามันตกภวังแล้วมันต้องต้องต้องเน่งสมองมีควาสุขถ้ามันตกภวังแล้วไม่รู้สึกตัวนนก็แสดงว่าหลั มแบงคำถามต่อไปจะคุณเบลค่ะหากเข้าใจธรรมชาติของกายของใจปล่อยให้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่หลงไปปรุงแต่งจากการอะไรจิตไม่หลงไปตามและไม่ผักไสแบบนี้ถือว่าเป็นจิตอุเบกขาได้หรือไม่ครับก็อยู่ที่ทุกข์แล้วไม่ทุกข์ต้องไม่ทุกข์กับมันถึงจะเป็นอุเบกขาที่หมดแล้วค่ะเหมือดแล้วค่ะ มีใครอยากจะถามก็ยกมือได้นะยกมือขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปคิดว่าถ้าไม่มีเราก็จะได้ยุติการสนทนาธรรมท่านไว้เพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป tha